ยุงเราอย่ามาฝันข้างมาเลยมึงลงต้นโก้เธอน้นเป็นทองทรงคนานำพายะเพี้ยนเพี้ยนพันขืนหยาบคืนหย่อนเดียวเธอปราชัยแรงดีกว่านี้เข้มคนกว่านี้ แข็งแรงทนทนทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบมันมาถึงระดับนี้แล้วตอนนี้ต้องเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นว่าสิ่งที่เป็นในคำแต่ละคำที่อาตมาเอามาเรียบเรียงแล้วก็เอามาพยายามยํำเน้นเพื่อให้เสริมสภาพต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเชา้าเรื่องบูลณาการเศรษฐกิจบูนิยมตอนที่หนึ่ง โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่1ตุลาคม2545ที่สังฆสถานทักษิณาสุขเขาเชิทัิตาร์ฝังได้หน้าบัดนี้ เจริญธรรมท่านผู้ไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมและผู้ที่ทั้งไฟไหม้และน้ําท่วมทั้งหลายมากันครบตอนนี้รวมกันหมดเลยทั้งผู้ที่อยู่ในถิ่นที่ที่ไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมและทั้งผู้ที่อยู่ที่ถิ่นที่ไฟไหม้ผู้ที่อยู่ในถิ่นที่ที่น้ําท่วมก็มารวมกันหมดนวันนี้ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆของธรรมชาติบ้างของมนุษย์บ้างไฟไหม้เป็นเรื่องของมนุษย์อันนี้นะไฟไหม้ธรรมชาติก็มีแต่ไฟไหม้อันนี้แน่นอนเรื่องของมนุษย์มนุษย์ทำส่วนน้าท่วมเนเรื่องของธรรมชาติแน่นอนเรื่องของมนุษย์นะน้ำท่วมเออเป็นเรื่องของมนุษย์ยังไงมันมาเขามันตามตามธรรมชาติ เออเอาละน่ะน่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของมนุษย์ทำก็มีอยู่เท่านั้นแหละในโลกในมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวร้ายเป็นผู้จะทำให้เจริญให้เกิดความสมดุลก็ได้ทำให้มันมากเกินมากเกินจน จนตายอ่ะมากเกินจนตายม า, มากเกินจนสูญเสียก็ได้ทำให้น้อยเกินขาดขาดแคลนจนตายจนทำลายจนเสียหายอะไรไปก็ได้นะมนุษย์เน่เป็นตัวที่ร้ายมากเลยในโลกแต่ละโูกแต่ละลูกเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีมนุษย์ในโลกแต่ละโลกเนี่ยมันจะอยู่กันยืนนานมันจะมีการหมุนเวียนมันจะมีการ ทรงตัวมันจะมีการเป็นอยู่ของมันได้น่ะตามสภาพของมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินี่จะน้อยจะ เ, เปลี่ยนแปลง ไ, ไปตามลําดับตามลาดับของมันเองแต่มนุษย์นี่แหละตัวปรุงแต่งตัววุ่นวายตัวทําลายตัวคิดตัวนึก อ, อะไรที่พิลึกพิลั่นแปลกๆต่ๆางๆน า, นานาสารพัดเราคิดได้สารพัดด้วยคิดเก่ง คิดได้อะไรแต่ไรไปเป็นพลังงานของในสังคมมนุษย์นี่แล้วก็เป็นพลังงานที่มีอยู่ในมหาจักรวาลนี่พลังงานชนิดหนึ่งคือพลังงานทางจิตวิญญาณนะเป็นพลังงานในมหาจักรวานนี่มีอุตตุภิชาจิตนะแล้วจิตนี่แหละเป็นผู้ที่จะเรียนรู้นะเป็นผู้ที่จะสามารถรู้อย่างรู้ อย่างอื่นเป็นเป็นเองอุตุก็เป็นเองพลังงานที่ร้อนแรงพลังงานที่มีคุณลักษณะอย่างไหนก็แล้วแต่มีคุณสมบัติอย่างไรก็แล้วแต่พลังงานต่างๆแสงเสียงแม่เหล็กความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ลักษณะต่างๆมันเองมันก็ไม่รู้ตัวมันเองเป็นอุตุ มไม่รู้ตัวมันเองเหรอกนะพีชะมีการกําหนดรู้ขึ้นมาพอพิพลังงานที่มีพีชันมีการกําหนดรู้มีการที่จะเลือกเฟนนะมีการที่จะรู้จักอนุ น, นั้นนี้อะไรขึ้นมาพอสมควรพีชะรู้จักแสงรู้จักธาตุนะอย่างพีชะต้นไม้หรือพืชต่างๆรู้จัก อันนั้นอันนี้อะไรกาหนดตัวแล้วก็ถือว่าเป็นมีชีว ะ, ะมีการเจริญรุง่งเรืองมีการตายมีการเกิดการตายขึ้นมาอย่างที่เรียกว่ามันมีชีวะการเกิดการตายของชีวะนอกนั้นก็กลับไปสู่ภพภ า, าวะของดินน้ำมลมไฟและอุตตุกอย่างเดิมส่วนพลังงานในระดับจิตเนี่ยสูงขึ้นมายิ่งกว่าชีวะระดับพีชะ ผีชะนี่มันไม่มีอารมณ์ไม่มีเวทนาผีชะมีรูปมีสัญญามีการกําหนดรู้มีรูปมีสัญญามีสังขารมีการปรุงแต่งไม่ใช่วิญญาณมีสามอย่างมีรูปมีสัญญามีสังขารสําหรับชีวะที่เป็นผีชะส่วนชีวะที่เป็นจิตเนี่ย มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาพที่มีวิญญาณครองเป็นอุปทินกะสังขารเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองส่วนชีวะนี่เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอนุปทินตะสังขารเป็นสังขารไม่มีวิญญาณครองพลังงานในระดับจิตจึงเป็นพลังงานที่สูงสุด แล้วในจิตก็ยังมีขั้นตอนขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงไปอีกเยอะแยะอย่างพลังงานจิตที่ได้ปรับปรุงได้พัฒนานะพัฒนาจิตวิญญาณตนเองจนจิตวิญญาณเยี่ยมยอดสุดก็คือพระพุทธเจา้าพระองค์ได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าสแสวงหาตรวจสอบสัจธรรมในมหาจักรวาลนี้แล้ว ก็เห็นว่าวิธีทำจิตวิญญาณและก็รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจะให้เลิกจิตวิญญาณก็ได้สุดท้ายเลิกไม่เหลือจิตวิญญาณเลยได้หรือยังเหลืออยู่ก็ตามก็เป็นจิตวิญญาณที่มีพลังงานยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทำให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบเป็นจิตวิญญาณที่จะทำชั่วทำไม่เป็นอย่างนี้เป็นตน้นมั น, ม, นมันยากเลยเป็นจิตวิญญาณที่จะไปพาไปทำชั่วไม่เป็นทำเป็นแต่ดีทำดีได้อย่างยิ่งอย่างดียิ่งอย่างยอดเยี่ยมไปเรื่อยๆด้วย มันจะเป็นญาณที่สะอาดในเรื่องของทุกข์ของสุขในเรื่องของชั่วของดีไม่ติดไม่ยึดอะไรงนี้เป็นตัวเป็นวิญญาณที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงถึงความสูงสุดที่จะเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดพลังงานทางจิตนี้ทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาคนยังไม่พบแต่ ในโลกของวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยในวงการวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าเขาพบอนิจจังอนัตตาแล้วเหมือนกันในทางวิทยาศาสตร์เด่ย๋ยนี้เขาประกาศว่าเขาพบแล้วเขารู้แล้วล่ะความจริงใช่ตรงกับศาสนาพุทธที่คนพบคืออนิจจังอนัตตาแล้วเขาก็ว่าเขาบรรลุแล้วใช่เขาค้นพบในด้านทางรูปธรรมไม่ใช่ทานพลังงาน จิตปิญญาณยังไม่ใช่พลังงานจิตปิญญาณเป็นทางรูปธปรรมใช่ก็คนพบเขาแตกตัวทางเขาเรียนวิทยาศาสตร์คนต่ำอะไรเนี่ยแล้วก็คนพบกันพิสูจน์ประจุบก็ตั้งถึงการเคลื่อนการเป็นตัวตนอะไรก็บอกสุดท้ายไม่ใช่หรอกไม่ใช่ตัวตนนะสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นตัวตนอยู่เรื่อยๆมันไม่เที่ยงมันเป็ไปตามเหตุปัจจัยจริงแต่คนพวกนี้มีแต่อริจังกับอนัตตา ที่บอกว่าเขายังไม่รู้จักจิตวิญญาณเพราะเขาไม่รู้จักทุกทุกเขาไม่เข้าใจทุกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนมันเกิดอย่างไรมันอะไรเป็นเหตุเขารู้แต่เขารู้อนิจจงเขารู้อนัตตาเขาเข้าใจแล้วพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์เลยพิสูจน์อนิจจ์อนัตตาพลังงานระดับไหนเขาก็พิสูจน์พลังงานแต่พลังงานทางจิตพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณ ยังมีความวิจิตพิสดารในความเป็นจิตวิญญาณอีกมากกว่ามากยังมากกว่ามากเลยถึงเขาเองอยู่ในตัวของเขามีจิตวิญญาณและเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้จิตวิญญาณของเขาได้โดยเฉพาะใช้จิตวิญญาณไปในสภาพของการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกและก็ดับเหตุแห่งทุกจนเป็นคนไม่มีทุกขเลยเขาไม่รู้ตรงนี้ แต่ก็สามารถที่จะใช้พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานจิตตัวเองหรอกพลังงานข้างนอกให้มีอิทธิปาฏิหาริย์ให้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้เขาทําได้เขาใช้พลังงานด้านนอกเนี่ยให้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แต่เขาไม่สามารถใช้จิตปัญญาของเขาให้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ได้ในภพวิทยาศาสตร์ทางควอนตัมเนี่ยแต่ทางวิทยาศาสตร์ทางจิต พวที่ศึกษาปฏิบัติเล่นจิตอยู่ก็าสามารถที่จะสร้างจิตวิญญาณให้มีพลังงานจนกระทั่งทําอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ไดเ้เขาก็ทําได้เหมือนกันใช้พลังงานจิตวิญญาณไม่ใช่ไปใช้พลังงานข้างนอกไม่ใช่ไปเรียนรู้พลังงานทางด้านนอกแต่ใช้พลังงานทางด้านจิตวิญญาณข้างในเลยมันสามารถที่จะให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ เดี๋ยวนี้ก่ยัพอได้อยู่หยิบไปแฟ้มเพืน้นำเงินก็ยังพอได้อยู่ยังพอทําได้ยังมีปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปรากฏอาตมาก็ว่าเออมันก็เป็นไปได้ซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเออเขาก็ยังสามารถพยายามทําอุ้ยไม่ใช่เอาทุงทนนุงน้ำตาดนี่ทุงน้ำตาทุงน้ำตา ะจะหยิบรูปภาพมาให้ดูรูปภาพภาพหนึ่งเขาลงในสพิมเมาวานนี่อ่รูปภาพที่คนเหาะนั่งสมาธิแล้วก็เหาะให้ดูน ะ, ะรูปภาพเขาก็ไปถ่ายมาคุณด็เรจรัจนนะถ้าใครรู้จักเนือห น, นวดนี่เาก็มุ่นทางนี้มามากในทางเขาก็บ่าทางาศาสนาเขาก็บ่าเขาพุทธเป็นพุทธ เคยสมัครเป็นผู้ว่าสมัครแข่งขันเป็นผู้ว่ากรทมเคยมาสมัครคุณจรรย์ดกเรเป็นดรจรรย์นี่หนังสือพิมพ์เขาลงเมื่อวานนี้เขาไปให้หนังสือพิมพ์เขาไปตรวจไปสอบเขาว่าเขาจะสร้างโรงเรียน จะสร้างโรงเรียนจะทำจนกว่าชีวิตของเขาเขาว่าชีวิตของเขาเขาคงจะอยู่ไปได้อีกสัก30ปีก็ว่าตอนนี้อาตมาไม่รู้นะว่าอายุเขาเท่าไหร่จะแก่กว่าอาตมาหรือว่าก็ไล่เลี่ยกันนะนะจะแก่กว่าหรือจะอ่อนกว่าก็ไม่รู้ก็คงประมาณไล่เลี่ยกันก็คงจะคิดว่าตัวเองอาจจะบอกว่าอยู่30ปีก็คงจะคิดว่าสักประมาณร้อยมั้งนะก็คงอันลาชัก เจ็ดสินนะ่ะก็ไล่ไล่กันอาตมาก็คงจะในราวนั้นถ้าอีก30ปีก็พูดก็ให้ข่าวมีเนื้อข่าวก็มีเนื้อข่าวในเนื้อข่าวเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการหอ่อการเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาพูดแต่เรื่องเนื้อข่าวที่เขาจะสร้างโรงเรียนได้รับบริจาคอยู่ทางเหนือทางเชียงใหม่หรือทางอะไรอาตมาทำไม่แม่นแลอ่านแล้วก็ไม่จําแม่นสัญญาลงไปว่าจังหวัดอะไรนี่เขาก็ถ่ายรูปให้นักให้นักข่าวไปคุยให้ข่าวเรื่องการจะสร้างโรงเรียนแล้วเขาก็แสดง เรื่องเรื่องของพลังงานทางด้านาศาสนาทางด้านจิตปัญญาทําสมาธิแล้วก็สามารถที่จะลอยได้อะไรได้เขาก็ทําแสดงให้ดูแล้วนังสืบพิมพ์ก็ถ่ายมาเงี้เป็นตน้นอาตมาก็ยังนึกว่าเออสมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องหอเนื้อน้ำดำเด่นอะไรอิทธิปาฏิหาริย์ของชาวคันธารีที่เขาทำเขาก็ เก่งในอิทธิปาฏิหาริส่วนมานิกานั้นเก่งทางอาเทศนาปาฏิหาริสเก่งทั้งด้านใช้พลังงานจิตที่จะเหมือนกันเรดาร์เนี่ยนะเหมือนเรดาร์เหมือนกับวิทยุคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยไปได้ไกลยอย่างรู้จิตใจอ ย, อย่างรู้พลังงานข้างนอกกะไรต่อส่วนอิทธิปาฏิหาริสคือเอาพลังงานมาสร้างรูปธรรมเหาะเฮเดินน้ําดําดินทะลุฟ้าทะลุ ก, กําแพงทะลุภูเขาอะไรก็แล้วแต่ ออกนอกโลกไปจนกระทั่งไปจับพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรได้ก็ทุกวันนี้ใช้พลังงานทางวัตถุเขาก็ทําได้แล้วออกนอกโลกไปจะไปถึงพระอาทิตย์ถึงพระอาทิตย์เมื่อไหร่ก็เก่งเท่ากับอิทธิปฏิหารทั้งหลายก็เป็นเอามือลูบคลําพระอาทิตย์ได้โดยไม่โดยด้วยฝ่ามือเอามือลูบคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือถ้าใครเคยอ่านอิทธิปฏิหารอิทธิวิธีที่พระุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมปิฎกอย่างนี้เป็นต้น นะก็เป็นสภาพที่จะได้มากได้น้อยอะไรแค่ไหนก็มันก็เป็นเรื่องที่เกินที่มนุษย์สามมันจะทำได้ง่ายๆก็พอรู้กันนะเรื่องเหล่านี้อาตมาไม่ได้เป็นไม่ได้เคยสงสัยไม่ได้เคยอะไรปฏิบัติอะไรกันแล้วก็มาถึงวาระนี้แล้วอาตมาก็เลิกเด็ดขาดเรื่องเหล่านี้นะใช้พลังงานทางจิตไปในทางด้านอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เลิกเด็ดขาด ซึ่งอาตมาเองอาตมาในสมัยที่ยังเป็นคารวาสยังทําอะไรแต่ไอยู่พวกคุณก็คงจะพอได้ทราบข่าวคราวบ้างในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไอ้เรื่องเหาะลอยมาวานนี่อาตมาก็คุยกันกับท่านแน่แนท่านก็ถามปลยถามอาตมาก็ปล่อยๆว่าท่านอาตมาเคยทำไหมอาตมาไม่รู้นะว่าอาตมาเหาะได้หรือไม่ได้อาตมาไม่รู้แต่ว่าอาตมาฝึกสมาธิในอาตมาเคยเคยฝึก แตตมาไม่เคยไม่แน่ใจและไม่เคยพูดเพิ่งจะพูดวันนี้เป็นวันแรกที่จะพูดก็เพราะว่าท่านมีจุดเรื่องนี้แหละจุดขึ้นแล้วก็ท่านเซโรบันโนเป็นคนถามขึ้นอาตมาในสมัยที่ปฏิบัติแล้วก็ทำสมาธิทําอะไรๆ ไ, ไปอย่างนี้ก็ยังเล่นอะไรๆพวกนี้อยู่เนี่ยอาตมาก็เคยมีจิตตั้งทําสมาธิแล้วก็ตั้งจิต พยายามที่จะให้ลอยให้เหาะก็พยายามทำทำถึงขั้นว่าเด็กๆทำถึงขั้นคือจะต้องลอยต้องเหาะไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเหาะได้จริงๆลอยได้จริงๆคือเอาของไปไวในไวที่ที่สูงเสร็จแล้วเราจะต้องพอทำสมาธิเสร็จแล้วก็ต้องไปหยิบเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องยืนยันให้ได้ ว่าเราเหาะได้จริงๆลอยได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิพราะอยู่ในสมาธิพวกนี้เนี่ยมันจะไม่รู้จากข้างนอกเลยเราจะไม่รู้ข้างนอกเลยมันจะอยู่ในพ ว, วังทั้งหมดเลยเป็นวิธีที่เขาทํากันอาตมาก็ได้รู้มาว่าคนอื่นก็ทําอย่างเงี้ยเอาของไปเนบไว้ที่ในในที่ที่เขาที่เราอยู่นี่แหละแล้วเราทําสมาธินี่แล้วเราก็เอาเนบไปแล้วเราก็จะลอยจะเหาะไป แล้วก็ไปหยิบเอาเอันนั้นขึ้นมายืนยันว่านี้เราเอาหยิบมาแสดงว่าเราลอยกันไปได้อาตมายังไม่ได้ทําถึงขั้นนั้นแต่อาตมาตั้งกิจจะให้ให้ลอยเหมือนกันแลอาตมาก็ทําทําแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองลอยรู้สึกว่าตัวเองขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอาตมาลอยจริงหรือไม่จริงนะ แต่สิ่งที่มันยืนยันอย่างนึงก็คือว่า <S <S <ed beautifully> อาตมานั่งทำสมาธิอยู่ที่ใดพอออกจากสมาธิและรู้สึกว่าตัวเองล อ, อยหรือตัวเองขึ้นเนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่ที่เดิมอาตมาออกจากสมาธิเนี่ยไปนั่งอยู่ห่างจากที่ที่นั่งทำสมาธิเดิมนีพอออกมาอาตมาไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมหรอกเป็นนั่งอยู่ที่ททอื่นๆไปแล้วแต่หลายครั้งหลายคราวอาตมาทำ ทำได้รครั้งอาตมาก็ว่าเออแน่ใจว่ามันคงได้แต่ไม่ได้ทําถึงขั้นอย่างที่ว่าเนี่ยว่าตัางจิตบุ้งไปต้องยิบเอานั้นมาแล้วก็มันยืนยันว่าเราลอยเหาะได้ไม่ได้ทําถึงขั้นนั้นเท่านั้นเองแต่มีสภาพนี้บอกได้แต่เพียงสภาพนี้ว่าเมื่อทําแล้วตั้งใจว่าเออเราก็รู้สึกในตัวว่า เ, เราก็เรารู้สึกเบารู้สึกเหา ร, รู้สึกรลอยรู้สึกว่ามัมันไม่อยู่กับที่ แต่ไม่ไม่รู้ว่ามันเหาะมันลอยจริงแต่ว่าออกมาจากสมาธินั้นไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมและก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเพราะาอาตมาทำอยู่ในกุฏิทาอยู่ที่วัดอโศการามทําอยู่ที่ในกุฏิคนเดียวทำก็ส่วนมากก็ทำกลางคืนดึกๆกลางคืนบางทีตื่นเช้าที่สองที่สมขึ้นมาก็แล้วแต่ทำแล้วแต่บางทีก็ทำสองอย่างคือคือมันไม่เป็นเวลาเรา อ, อยากตื่นเมื่อไรอยากหลับเมื่อไรก็แล้วแต่พอตอนนั้นไม่มีงานอะไรอาตมาก็อยู่กับจิตเล่นกับ อยู่อย่างงี้ไม่มีงานอะไรไม่มีเรื่องอะไรก็อยู่ก็ทําไปก็มีแต่สมาธิมีแต่ศึกษาเขียนหนังสือก็เขียนเล็กๆ น, น้อยๆเขียนออกไปรอยยนใจไม่ไม่ใจไม่รอใจต้องเป็นสมาธิใจรอยไม่ได้ไ ม, ไ ม, มันไม่รอยเขมันมุ่งมัน่นคุณก็พูดขัดจันใจมุ่งมั่นใจมันอยู่ที่นั่นมันไม่ลอยถ้าใจรอยมันก็นเลอะสิคุณพูดจากภาษาไทยบางที ถ้าใจลอยแล้วมันคือความไม่รู้ตัวเองใจลอยไม่ได้นะเล่นภาษาตัวนี้ผิดนะเอาละใช้ไม่ได้ตรงนี้เอาเอย่างอื่นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ภาษาผิดใจไม่ลอยหรอกถ้าใจลอยหรอกหอกว่า ไ, ได้ลอยไม่ได้นะนี่ก็เล่าฟังผูดในฟังจะบอกว่าอดอุตตรีมุสธรรมอะไรก็แล้วแต่นะก็เล่าฟังแต่อตรรมาก็เลิกเรื่องเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นั่งสมาธิก็ไม่ทนเจโตสมาธิคือพระพุธทธเจ้าตรัสว่าบุคคลสประเภท ประเภทหนึ่งเป็นบุคคลผู้ได้เจโตสมถะแต่ไม่ได้โลกุตระนัไม่มีโลกุตระมีเจโตสมถะ t เก่งทางสมาธิหรือเจโตสมถะแต่ไม่มีโลกุตระบุคคลประเภทที่สองมีโลกุตระแต่ไม่มีเจโตสมุท t นไม่ได้เจโตสมถท t นั่งสมาธิเจโตสมถะไม่เป็นได้แต่โลกุตระคือได้อริยธรรมได้พุทธธรรมนี่แหละ ซึ่งเป็นอนุสาสนีปัติหารเนี่ยได้แต่อนุสาสนีปฏติหาร <Yeah. S 1> นะแต่นั่งสมาธิเจโตสมถะนี้ไม่เป็นนะมีคนที่สองบุคคลที่สได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระบุคคลทประเภทที่สนะส่วนประเภทที่สนั้น nothing นะ <Okay. S 1> บอกมีกล ไม่ได้อะไรเลยเจโตสมถาก็ใหม่เป็นไม่ไ ม, มีโลกุตระก็ไหม่รู้เรื่องนใครว่าบุคคลที่สี่นี่ใครว่ า, าอยากเป็นบุคคลไหนอ่ะอยากเป็นบุคคลไหนสามเออแล้วเจโตสมาถาม็ค่อยฝึกกันแล้วอยากได้ เออจะได้งไงอ่ะพวกเราได้ฝึกเน้นวิแบบบุคคลที่สองทำในโลกุตรักกันมากไม่เน้นประเภทที่หนึ่งเน้นแต่ประเภทที่สองไม่ได้แบบไม่เน้นประเภทที่1แล้วอยากได้ประเภทที่สมแมันจะอยากได้โดยประเภทที่เรียกว่าไม่รู้ไม่ดูตัวเองทำแต่ประเภทที่สองเราอยากได้ทั้งประเภทที่1ด้วยมันไม่ได้นมันก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างแต่มีเราก็ฝึกกันอยู่บ้างนะ อยู่ที่สตัตย์โสด็จาก็มีการนั่งสมาธิกันแทบทุกวันแหละนั่งพอตกเย็นก็ห น, นาวเรียกกันมาหนึ่งคนมั่งสองคนมั่ง5คนมั่ง8ดคนมั่ง10บคนมั่งแล้วแต่แล้วเจริญ ง, งามยามดีมีผู้มานั่งกันไปอะไรไปนะแต่ที่เรื่องของโลกรุตระนั้นเป็นเอกแหละในาศาสนาพุทธนะเป็นอนุส า, าสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แห่งคสอนคือผลทุกข์รู้จักโลกรุตรธรรม รู้จักอาริยะคุณนะความเป็นอาริยะนะส ư ปุโรหิตจ้าจะยืนยันวันนี้เป็นอาริยะนี้เป็นโลกุตระท่านไม่ใช้คําว่าอาริยะหรอกท่านใช้ภาษาบาลีเดิมท่านใช้อาริยะแต่อาตมาไม่เอาเพราะอริยะอาตมาไม่เอาอาริยะเพราะอาริยะทุกวันนี้เอาไปใช้ฟันเฟือแล้วเป็นเละเทะเละเทะไปหมดแล้วเอาไปใช้เรียกคนที่เก่งเดรจานวิชา คนเก่งอิทธิปาฏิหาริ์เก่งอเทศนาปาฏิหาริ์เป็นโนนแต่อนุสาสนีปปาฏิหาริ์ไม่เข้าทา่าไม่มีเลยไม่รู้เรื่องแล้วไปเรียกผิดอย่างไงที่จึงอริยะในเรียกผู้ที่บรรลุอนุสาสนีปาฏิหาริ์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียกแบบของขรุสีคันธารีหรือวัลุสีมาณิกาเก่งอิทธิปาฏิหาริ์เก่งอเทศนาปาฏิหาริ์โนนไม่ใช่อริยะไม่ได้อาไปเรียกคนเหล่านั้น มันฟันเฟืออย่างนี้อาตมาจึงไม่ใช่เลยเอาคำว่าอาริยะของสันสกฤตซึ่งแปลว่าจริงๆิงมือแปลเหมือนกันแต่คนไทยเอามาใช้เป็นสอ ง, สส อ, งอย่างอาริยะ อ, อาระยะก็เอามาใช้ชนิดหนึ่งซึ่งอาระยะนี่ก็คือนามสกุลของท่านกุสโลนะโครบุญอาระยะอย่าจำชื่อนามสกุลทะผิดนะท่านไม่เอา อ, อาริยะท่านบอกว่าท่านเหนี่ยม ทนเียมว่าท่านเองท่านไม่มั่นใจว่าท่านมีอาริยคุณหรือไม่ท่านไม่กล้าท่านบอกว่าก็เลยท่นก็เลยเอาแค่อารยะกัแล้วกันท่านเลยไปขอตั้งนามสกุลเป็นโคตบุญอารยะซึ่งก็มีมีมีตระกูลเหมือนกันมีลูกหลานบริวารบ้างดินนาโคตบุญอารยะแล้วก็มีใครอีกนะมุ่งแม่นนะโคตบุญอารยะแล้วมีใครอีกนี่หลายคนเหมือนกันนี่ อ่สสี่คนนะนี่ก็เอาใช้ภาษามาสื่อสภาวะมาสื่อสภาพธรรมมสื่ออะไร อ, อะไรต่า ง, า ง, างๆนานาให้พวกเราเข้าใจว่าเราจะเกิดกี่ชาติเกิดตามเกิดมาเป็นคนมีจิตวิญญาณเป็นพลังงานขับเคลื่อนเราเหมือนดาวดวงหนึ่งในโลกนี้มีอุกาบาตอุกาบาตชิ้นหนึ่งมันก็มีพลังงานในตัวของมันทั้งพลังงานในและพลังงานนอกมีทั้งพลังงานศักิ์มีทั้งพลังงานจน พลังงานเจรนะิะมันมีอยู่ในตัวมันอุกาบาตเซนฝุ่นละอองอะไรอยู่ในนอกพิภพนี้นอกเอกภพนอกโลกเหล่านี้อยู่เป็น อ, อวกาศต่างๆมันก็มีฝุ่นละอองมีอะไรอะไรมีอากาศมีธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมันมีทั้งเล็กกลางใหญ่อะไรจนกระทั่งเราจับไม่ติดสัมผัสไม่ได้เยอะแยะสิ่งเหล่านั้นมันก็มีพลังงานในตัวของมันทั้งสิน้น มีพลังงานในตัวก็มันทั้งสิ้นแต่พลังงานก็มาในลักษณะไหนล่ะอยู่ในดินน้ำลมไฟธาตุสามัญพวกนั้นมีพลังงานในระดับอุตุกเท่านั้นมีพลังงานระดับอุตุกเท่านั้นจะเก่งไปในฤทธแรงทางฟิสิกส์แบบไหนความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นของมันเท่านั้นและพลังงานเหล่านั้นมันยังไม่ข้ามขีดมาจนกระทั่งถึงขั้นพีชะไม่มาถึงขั้นจิตต ะ, ะมีใน คนชีวะระดับสัตว์โลกเดรัจฉานต่างๆก็เป็นชีวะระดับจิตต ะ, ะเดรัจฉานก็เป็นจิตตะแล้วแต่จิตตะอย่างนั้นเป็นเดรัจฉานเป็นอเวนายสัตยิ่งกว่าคนคนก็ยังแยกเป็นอเวนัยสัตว์กับเวนัยสัตว์อยู่เลยยิ่งเดรัจฉานแล้วนั่นใช่แท้ๆเลยเป็นอาเวนยสัตว์แท้ สอนให้รู้จักกรรมให้รู้จักธรรมะที่ห้าน้ธรรมนิยามห้าอย่างอุตตุพิชะจิตตกรรมและก็ธรรมะห้าอย่างเพราะฉะนั้นพลังงานในเดรฉานเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้เรื่องกรรมไม่สามารถที่จะสอนเรื่องธรรมะได้สอนให้ช้างมันเตะบอนสอนให้หมามันไปฆ่าไปนวนเสาให้มันอะไรอะไรบ้างให้มันรู้จัก เรื่องราพอสมควรเหมือนคนที่บอกกันรู้เรื่องใช้มันได้พอสมควรก็สอนคนได้พอได้จะสอนสัตว์เดรัจฉานบางชนิดบางตัวให้มาทําได้บ้างแต่ก็สู้คนไม่ได้คนสอนได้ให้ทํางานให้รู้กันรู้นี่เดมกก้มากกว่มากแต่แม่คนแล้วเป็นคนแล้วจะทําอะไรได้มากกว่มากก็ตามก็ยังแยกแยะคนเป็นระดับเดนัยศัตว์กับอเวนัยศาสตว์ คือสัตว์ที่สอนได้สอนให้รู้จักโล ก, กุตรธรรมสอนให้พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นอริยบุคคลผู้ที่สอนขึ้นมาให้เป็นอริยบุคคลได้จึงเรียกว่าเวนัยสัตว์ผู้ที่สอนให้ปฏิบัติมาเป็นอริยบุคคลไม่ได้ยังชื่อว่าเป็นอเวนัยสัตอยู่ แต่สามารถสอนได้อีกแบง่งสอนลงไปว่าสอนให้เป็นกัลยาณบุคคลได้ไม่ได้ด้วยแม้จะเป็นกัลยาณบุคคลแต่ข้ามเขตมาเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เราจะเรียกว่าเวนยสัตว์ก็ยังไม่ได้ก็ยังเรียกว่าอาเวนยสัตว์อยู่เพราะยังข้ามเขตมาเป็นอริยธรรมมาเป็นโลกุตระมาเข้าสู่โลกใหม่อีกโลกอีกหนึ่งอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกที่จะเป็นโลกที่ไปสู่นิพพาน ยังไม่รู้จักต้นทางของที่จะไปนิพพานและยังทําตนให้เข้าสู่มรรคเข้าสู่ทางที่จะเดินทางสัมโพธิปรายณนะเดินทางไปสู่จุดสุดยอดคือนิพพานยังไม่ได้เมื่อจับทิศทางยังไม่ได้ตนเองยังทําให้เกิดการเดินเข้าสู่ทิศทางเข้าประตูเข้าประตูเ ข, ะตเข้าทางเป็นโสดาปฏิมรคเป็นทางต้น เขายังไม่รู้จักทางและยังไม่รู้จักคุณภาพคุณลักษณะแท้ว่าคุณลักษณะนี้เรียกว่าโซตาปัณะอวินิปาตธรรมนี้นิยตสัมโพธิปราญณะนี่หรือสามารถรู้จักคีนานิรยาขีนาปิตตวิสยะขีนาติริชานะหรือคีนาไม่อมันทีเสีนี่มันยาวพวก ติวินิบาต ท, ทั้งหลายแลลวโลกของนรกรวมหมดนั่นอติวินิบาต ท, ทั้งหมดอวนิอติวินิบาตนั่นแหละยังไม่สามารถขี่หน้าไปคาว่าหลุดพ้นหรือดับดับนรกดับเปรตดั บ, ดบอสุรกายอะไรของตนเองออกมาให้ได้สักก่อนอด้วยเดริชานดับสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจะรู้อย่างนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักสัตว์รู้จักความเป็นสัตว์ สัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์นรกสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์สวรรค์หรือสัตว์เทวดาหรือสัตว์พรหมหรืออาริยบุคคลอาริยบุคคลก็ต้องอ่ามที่คุณลักษณะทางจิตจิตพ้นเป็นอาริยะอย่างไรหรือยังไม่พ้นเป็นอาริยะแต่ก็จิตเจริญเหมือนกัน จากนี้ไปเป็นการอบรมธวัตเช้าเรื่องบูรณาการเศรษฐกิจบูนิยมตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสอง5ันห้าสี่สิห้าที่สังฆสถานทักษิณาโศกเขาเชิญทัตติตารับฝังได้หน้าบัตรนี้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 นะวันนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆนะของธรรมชาติบ้างของมนุษย์บ้างไฟไหม้เป็นเรื่องของมนุษย์อันนี้นะไฟไหม้ธรรมชาติก็มีแต่ไฟไหม้อันนี้นะแน่นอนเรื่องของมนุษย์มนุษย์ษยทำส่วน น, า น, าน้าท่วมเนเรื่องของธรรมชาติแน่นอนเรือ่ง <c oughs> องของมนุษย์นะน้ำท่วมอ่ เป็นเรื่องของมนุษย์ยังไงมันมาเขามันตามตา ม, ตามธรรมชาติเออเอาละนะนันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมก็มีอยู่เท่านั้นแหละในโลกในมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวรา้ายเป็นผู้จะทําให้เจริญให้เกิดความสมดุลก็ได้ทําให้มันมากเกิน มากเกินจนจนตายอ่ะมากเกินจนตายม า, มากเกินจนสูญเสียก็ได้ทำให้น้อยเกินขาดขาดแคลนจนตายจนทำลายจนเสียหายอะไรไปก็ได้มนุษย์เน่เป็นตัวที่ร้ายมากเลยในโลกแต่ละรูกแต่ละโลกเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีมนุษย์ในโลกแต่ละโลกเนี่ยมันจะอยู่กันยืนนาน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 คิดเก่งคิดได้อะไรๆ ไ, ไปเป็นพลังงานของในสังคมมนุษย์นี่แล้วก็เป็นพลังงานที่มีอยู่ในมหาจักรวาล น, นี่พลังงานชนิดหนึ่งคือพลังงานทางจิตวิญญาณนะเป็นพลังงานในมหาจักรวาล น, นี่มีอุตตภีชะจิตนะแล้วจิตนี่แหละเป็นผู้ที่จะเรียนรู้นะเป็นผู้ที่จะสามารถ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 ไม่รู้ตัวมันเองนีเป็นอุตโตมันไม่รู้ตัวมันเองเหรอกนะพีชะมีการกําหนดรู้ขึ้นมาเพราะเป็นพลังงานที่มีพีชันมีการกําหนดรู้มีการที่จะเลือกเฟ้นนะมีการที่จะรู้จักอันโ น, น้นอันนี้อะไรขึ้นมาพอสมควรพีชะรู้จักแสงรู้จักธาตุนะอย่างพีชะ ต้นไม้หรือพืชต่างๆเนี่ยรู้จักอันนั้นอันนี้อะไรตัดกาหนดดูแล้วก็ถือว่าเป็นมีชีวะมีการเจริญรุ่งเรืองมีการตายมีการเกิดการตายขึ้นมาอย่างที่เรียกว่ามันมีชีวะการเกิดการตายของชีวะนอกนั้นก็กลับไปสู่พภ า, าวะของดินน้มลมไฟและอุตตุกอย่างเดิมส่วนพลังงานในระดับจิตเนี่ย สูงขึ้นมายย่งกว่าชีวะระดับพีชะพีชะนี่มันไม่มีอารมณ์ไม่มีเวทนาพีชะมีรูปมีสัญญามีการกำหนดรูปมีรูปมีสัญญามีสังขารมีการปรุงแต่งไม่ใช่วิญญาณมีมีสามอย่างมีรูปมีสัญญามีสังขารสำหรับชีวะที่เป็นพีชะ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 ตรวจสอบสัจธรรมในมหาจักรวาลนี้แล้วก็เห็นว่าอวิธีทำจิตวิญญาณและก็รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจะให้เลิกจิตวิญญาณก็ได้สุดท้ายเลิกไม่เลือจิตวิญญาณเลยได้หรือยังเลืออยู่ก็ตามก็เป็นจิตวิญญาณที่มีพลังงานยอดเยี่ยม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 ทำเป็นแต่ดีทำดีได้อย่างยิ่งอย่างดียิ่งอย่างยอดเยี่ยมไปเรื่อยๆด้วยอ่ามันจเป็นญาณที่สะอาดในเรื่องของทุกของสุขในเรื่องของชั่วของดีไม่ติดไม่ยึดอะไรอ่มันตัวเป็นญาณที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงถึงความสูงสุดที่จะเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด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 ใช่เขาค้นพบในด้านทางรูปธรรมไม่ใช่ทานพลังงานจิตปิญญายังไม่ใช่พลังงานจิตปิญญาเป็นทางรูปธรรมใช่เขาค้นพบเขาแตกตัวทางเ็าเรียกวิทยาศาสตร์คนตั้มอะไรเนี่ยแล้วก็ค้นพบกันพิสูจน์ประจวบตั้งถึงการเคลื่อนการเป็นตัวตนอะไรเขก็บอกสุดท้ายไม่ใช่หรอกไม่ใช่ตัวตน สุดท้ายไม่มีอะไรเป็นตัวตนอยู่เลยเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นไ ป, ไปตามเหตุปัจจัยจริงแต่คนพวกนี้มีแต่อนิจจังกับอนัตตาที่บอกว่าเขายังไม่รู้จักจิตวิญญาณเพราะเขาไม่รู้จักทุกทุกเขาไม่เข้าใจทุกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนมันเกิดอย่างไรมันอะไรเป็นเหตุเขารู้แต่เขารู้อนิจจังเขารู้อนัตต า, าเขาเข้าใจแล้วพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์เลยพิสูจน์ อนจจังอะไรต่าพลังงานระดับไหนเขาก็พิสูจน์พลังงานแต่พลังงานทางจิตพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณยังมีความวิจิตพิสดารในความเป็นจิตวิญญาณอีกมากกว่ามากยิ่งมากก็ามากเลยถึงเขาเองอยู่ในตัวของเขามีจิตวิญญาณและเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้จิตวิญญาณของเขาได้โดยเฉพาะใช้จิตวิญญาณไปในสภาพของการรู้จักทุก รู้จากเหตุแห่งทุกข์และก็ดับเหตุแห่งทุกข์จนเป็นคนไม่มีทุกข์เลยเขาไม่รู้ตรงนี้แต่ก็สามารถที่จะใช้พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานจิตตัวเองหรอกพลังงานข้างนอกให้มีอิทธิปาฏิหาริย์ให้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้เขาทําได้เขาใช้พลังงานด้านนอกนี่ให้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แต่เขาไม่สามารถใช้ จิตวิญ ญ, ญาณของเขาให้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ได้ในภวิยาศาสตร์ทางควัญตั้มเนี่ยแต่ทางวิทยาศาสตร์ทางจิตพวกที่ศึกษาปฏิบัติเล่นจิตอยู่ก็สามารถที่จะสร้างจิตวิญญาณให้มีพลังงานจนกระทั่งทําอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ได้เขาก็าทําได้เหมือนกัน ใช้พลังงานจิตปัญญาณไม่ใช่ไปใช้พลังงานข้างนอกไม่ใช่ไปเรียนรู้พลังงานทางด้านนอกแต่ใช้พลังงานทางด้านจิตปัญญาณข้างในเลยมัสามารถที่จะให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ที่สราปาฏิหารเดี๋ยวนี้ก็ยังพอได้อยู่ไปแฟ้มนีาติดตน้ำเงินอ่าก็ยังพอได้อยู่ยังพอทําได้ยังมีปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปรากฏอาตมาก็ว่าเออมันก็เป็นไปได้ซึ่งอาตมาก็ ไม่รู้ว่าทำไมมัน เ, เขาก็จังสามารถพยายามทำอุ๊ยไม่ใช่เอาถุงุงน้ำตาลมาถุงน้ำตาลถุงน้ำตา ล, ตาลจะหยิบรูปภาพมาให้ดูรูปภาพภาพหนึ่งเขาลงในสุพิมวานนี่ อ, อรูปภาพที่คนหอ่อ นั่งสมาธิและะ้วก็เหาะให้ดูนะรูปภาพเขาก็ไปถ่ายมาคุณดกเรจรัจนนะ่าจะใครรู้จักนนท์นี่นนเขาก็มุ่นทางนี้ม า, มากนะทาง เ, เขาก็าทางาศาสนาเาก็บ่าเขาพุทธเป็นพุทธนะเคยสมัครเป็นผู้ว่าสมัครแข่งขันเป็นผู้ว่ากรทมเคยมาสมัครคุณจรันดรเป็นดเรจรัจ นี่นังสือพิมพ์เขาลงเมื่อวานนี้นะเขาไปให้นังสือพิมพ์เขาไปตรวจไปสอบเขาว่าเขาจะสร้างโรงเรียนเขาจะสร้างโรงเรียนจะทาจนกว่าชีวิตของเขาเขาว่าชีวิตของเขาเขาคงจะอยู่ไปได้อีกสักสาสิปีเขาว่า ตอนนี้อาตมาไม่รู้นะว่าอายุเขาเท่าไรจะแก่กว่าอาตมาหรือว่าก็ไล่เลี่ยกันนะนะจะแก่กว่าหรือจะอ่อนกว่าก็ไม่รู้ก็คงประมาณไล่เลี่ยกันก็คงจะคิดว่าตัวเองอาจจะบอกว่าอยู่30ปีก็คงจะคิดว่าสักประมาณร้อยมั้งนะก็คงอันละสักเจ็ดบน่ยนะก็แล่ๆกันอาตมาก็คงจะในราวนั้นถ้าอีก30ปีก็พูดเขาให้ข่าวมีเนื้อข่าวก็มีเนื้อข่าวอะไรเนื้อข่าวเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการหอกัน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 นักสืบพิมก็ถ่ายมายางี้เป็นต้ น, นอาตมาก็ยังนึกว่าเออสมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องห่อนเดินน้ำดำเด็นอะไรอิธิปาฏิหาริของชาวคันธารีที่เขาทำเขาก็เก่งในอิธิปาฏิหาริสนมานิกานั้นเก่งทางอาเทศนาปาฏิหารเก่งทั้งด้านใช้พลังงานจิต ท, ที่จะเหมือนกับเรดาร์เนี่ยนะเหมือนเรดาร์เหมือนกับ วิทยุคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยไปได้ไกลยอย่างรู้จิตใจอย่างรู้พลังงานข้างนอกอะไรต่ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์คือเอาพลังงานมาสร้างรูปธรรมเฮ่อเฮินเดินน้ําดําดินทะลุฟ้าทะ ล, ลุ ก, กําแพงทะลุภูเขาอะไรก็แล้วแตอ่ออกนอกโลกไปจงกระทั้งไปจับพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรได้ทุกวันนี้ใช้พลังงานทางวัตถุก็ทําได้แล้วออกนอกโลกไปจะไปถึงพระอาทิตย์ ถึงพระอาทิตย์เมื่อไหรก็เก่งเท่ากับอิทธิปฏิหารทั้งหลายก็เป็นเอามือลูบคลําพระอาทิตย์ได้โดยไม่โดยโด้วยฝ่ามือเอามือลูบคลำพระอาทิตได้ด้วยฝ่ามือถ้าใครเคยอ่านอิทธิปฏิหารอิทธิวิธีที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้ในประธรรดปิดกอย่างนี้เป็นตน้นะก็เป็นสภาพที่จะได้มากได้น้อยอะไรแค่ไหนก็มันก็เป็นเรื่องที่เกินที่มนุษย์สามมันจะทําได้ง่ายๆก็พอรู้กัน เรื่องเหล่านี้อาตมาไม่ได้เป็นไม่ได้เคยสงสัยไม่ได้เคยอะไรปฏิบัติอะไรแต่แล้วก็มาถึงวาระนี้แล้วอาตมาก็เลิกเด็ดขาดเรื่องเหล่านี้น ะ, ะใช้พลังงานทางจิตไปนในทางด้านอิทธิปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์เลิกเด็ดขาดนะซึ่งอาตมาเองอาตมาในสมัยที่ยังเป็นคารวะยังทําอะไรแต่รอยู่พวกคุณก็คงจะพอได้ทราบข่าวครา ว, าวบ้างนะในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไร ไอเรื่องเหาะลอยเมื่อวานนี้อาตมาก็คุยกันกับท่านแน่ท่านก็ถามปลยถามพระอาตมาก็ปล่อยๆว่าท่านอาตมาเคยทำไหมอาตมาไม่รู้นะว่าอาตมาเหาะได้หรือไม่ได้อาตมาไม่รู้แต่ว่าอาตมาฝึกสมาธินี่อาตมาเคยเคยฝึกแต่อาตมาไม่เคยไม่แน่ใจและไม่เคยพูดเพิ่งจะพูดวันนี้เป็นวันแรกที่จะพูดก็เพราะว่าท่านมีจุดเรื่องนี้แหละ แล้วก็ทันศิโรบโนเป็นคนถามขึ้นอัตมาในสมัยที่ปฏิบัติและทำสมาธิทำอะไร อ, อะไรไปอย่างนี้ก็ยังเล่นอะไร อ, อะไรพวกนี้อยู่เนี่ยอัตมาก็เคยมีจิตตั้งทำสมาธิแล้วก็ตั้งจิตพยายามที่จะให้ลอยให้หอ่อก็พยายามทำทำถึงขั้นว่าแต่ไม่ได้ทำถึงขั้น คือจะต้องลอยต้องเหาะไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเหาะได้จริงๆลอยได้จริงๆคือเอาของไปไวเใน็บไวที่ที่สูงเสร็จแล้วเราจะต้องพอทาสมาธิเสร็จแล้วก็ต้องไปหยิบเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องยืนยันให้ได้ว่าเราเหาะได้จริงๆลอยได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิพราะอยู่ในสมาธิพวกนี้มันจะไม่รู้จากข้างนอกเลยเราจะไม่รู้ข้างนอกเลยมันจะอยู่ในผวังทั้งหมดเลย เป็นวิธีที่เขาทำกันอาตมาก็ได้รู้ม า, าว่าคนอื่นก็ททำอย่างเงี้เอาของไปเน็บไว้ที่ใ น, ในทีท่ที่เราอยู่นี่แหละแล้วเราทำสมาธินี่แล้วเราก็เอาเน็บไปแล้วเราก็จะลอยจหอกไปแล้วก็ไปหยิบเอาอะนนั้นมายืนยันว่าในเราเอาหยิบมาแสดงว่าเราลอยขึ้นไปได้อาตมายังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่อาตมาตั้งจิตจะใ ห, ห้ให้ลอยเหมือนกันแล้วอาตมาก็ทำ ทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองลอยรู้สึกว่าตัวเองขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอาตมาลอยจริงหรือไม่จริงนะแต่สิ่งที่มันยืนยันอย่างนึงก็คือว่าอาตมานั่งทำสมาธิอยู่ที่ใดพอออกจากสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองลอยหรือตัวเองขึ้นเนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่ที่เดิมอาตมาออกจากสมาธิเนี่ยไปนั่งอยู่ห่างจากที่ที่นั่งทำสมาธิเดิม พอออกมาอาตมาไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมหรอกเป็นนั่งอยู่ที่ทอื่นๆไปแล้วแต่หลายครั้งหลายคราวอาตมาทำทำหลายครั้งอาตมาว่าเออแน่ใจว่ามันคงได้แต่ไม่ได้ทำถึงขั้ น, น่งที่ว่าเนี่ยว่าทางจิตมุ่งไปต้องปปเป็นจิตอันั้นมาแลา้วก็มายืานยันว่าเราลอยเหาได้ไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นเท่านั้นเองแต่มีสภาพนี้บอกได้แต่เพียงสภาพนี้ว่า เมื่อทําแล้วตั้งใจว่าเออเราก็รู้สึกในตัว เ, ออเราก็เรารู้สึกเบารู้สึกเหารู้สึกรอยรู้สึกว่ามันมันไม่อยู่กับที่แต่ไม่ไม่รู้ว่ามันเหาะมันลอยจริงแต่ว่าออกมาจากสมาธินั้นไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเพราะอาตมาทำอยู่ในกุฏิทาอยู่ที่วัดอโศการามทําอยู่ที่ในกุฏิคนเดียวทํำก็สนมากก็ทำกลางคืนดึกๆกลางคืนบางทีตื่นเช้า ที่2ที่สขึ้นมาก็แล้วแต่ทําแต่บางทีก็ทำสองอย่างคือคือมันไม่เป็นเวลาเราอยากตื่นเมื่อไรอยากหลับเมื่อไรก็แล้วแต่พอตอนนั้นเรนไม่มีงานอะไรอาตมาก็อยู่กับจิตเล่นก็อยู่อย่างงี้ไม่มีงานอะไรไม่มีเรื่องอะไรก็อยู่ก็ทําไปก็มีแต่สมาธิมีแต่ศึกษาเขียนหนังสือกับเขียนเล็กๆน้อยๆเขียนออกไปรอนกใจไม่ไม่ใจไม่รอยใจต้องเป็นสมาธิใจรอยไม่ได้ มันไม่ลอยก็มันมุ่งมั่นคุณก็พูดขัดจันใจมุ่งมั่นใจมันอยู่ที่นั่นมันไม่ลอยถ้าใจลอยมันก็เลอะสิคุณพูดจากภ า, าษาไทยบางทีถ้าใจลอยแล้วมันคือความไม่รู้ตัวเองใจลอยไม่ได้เน้นภาษาตัวนี้ผิดเอาละใช้ไม่ได้ตรงนี้เอาอย่างอื่นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ภาษาผิดใจไม่ลอยหรอกถ้าใจลอยเหาะว่าได้ลอยไม่ได้น นี่ก็ไล่ฟังผูดในฟังจะบอกว่าอดอุตริมุสุทมอะไรก็แล้วแต่นะก็เล่าฟังแต่อาตมาก็เลิกเรื่องเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นั่งสมาธิก็ไม่ทนเจโตสมถะคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลสประเภทประเภทหนึ่งเป็นบุคคลผู้ได้เจโตสมถะแต่ไม่ได้โลกุตระนั่ไม่มีโลกุตระมีเจโตสมถะาเก่งทางสมาธิหรือเจโตสมถะแต่ไม่มีโลกุตระ บุคคลประเภทที่สองมีโลกุตระแต่ไม่มีเจโตสมัทนตะไม่ได้เจโตสมัทะนั่งสมาธิเจโตสมัทะไม่เป็นได้แต่โลกุตระคือได้อริยธรรมได้พุทธธรรมนี่แหละซึ่งเป็นอนุสาสนีปฏิหารเนะี่ยได้แต่อนุสาสนีปฏิหารแต่นั่งสมาธิเจโตสมัทะนี่ไม่เป็นนะนี่คนที่สองบุคคลที่สได้ทั้งเจโตสมัทะได้ทั้งโลกุตระ บุคคลที่ประเภทที่สมส่วนประเภทที่สี่นันะ้น nothing <Okay. S 1> บอกมีกลนะไม่ได้อะไรเลยเจโตมัสมาถาก็ใหม่เป็นใหม่มีโลกุตระก็ใหม่รู้เรื่องนะใครว่า <c oughs> บุคคลที่สนี่ใครว่านะ อยากเป็นบุคคลไหนอ่ะอยากเป็นบุคคลไหนสามเออแล้วใจตัวสมถะไม่ค่อยฝึกกันแล้วอยากได้เอออยาได้ไงพราะเราได้ฝึกเน้นแบบบุคคลที่สองทํงาำโลโกตระกันมากไม่เน้นประเภทที่หนึ่งเน้นแต่ประเภทที่สองไม่ได้ไม่เน้นประเภทที่หนึ่ ง, แ, ทท ง, ททงแล้วอยากได้ประเภทที่สามมันจะอยากได้โดยประเภทที่เรียกว่าไม่รู้ไม่ดูตัวเอง ทำได้ประเภทที่สองเราอยากได้ทั้งประเภทที่1ด้วยมันไม่ได้นีมันก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างแต่มีเราก็ฝึกกันอยู่บ้างนะอยู่ที่สตัตยโ์โสกเขาก็มีการนั่งสมาธิกันแทบทุกวันแหละนะนั่งพอตกเย็นก็นาวเรียกกันมาหนึ่งคนบ้งสองคนั้งห้าคนบ้ง8คนบ้างสิบคนั้งแล้วแต่แล้วจะเรืองงามยามดีมีผู้มานั่งกันไปอะไรไปนะแต่ที่เรื่องของโลอุตระา น, นั้นเป็นเอกแหละ ในศาสนาพุทธนะเป็นอนุศาสนีปาฏิหาริเปปาฏิหาริแห่งคำสอนคือผลทุกข์รู้จักโลกรุตรธรรมรู้จักอาริยะคุณนะความเป็นอาริย์นะส ư ปุโรหิตจิตยืนยันยวันนี้เป็นอาริยะนี่เป็นโล ก, กุตธรรมไม่ใช้คําว่าอาริยะเราแต่ใช้ภาษาบาลีเดิมเราใช้อาริยะแต่อาตมาไม่เอาเพราะอาริยะ อัตมาไม่เอ า, อาริยะเพราะาอาริยะทุกวันนี้เอาไปใช้ฟันเฟือแล้วเป็นเละเทะเละเทะไปหมดแล้วเอาไปใช้เรียกคนที่เก่งเดรจานวิชาคนเก่งกิทธิ ป, ปาฏิหารเก่งอเทศนา ป, ปาฏิหารเป็นโน้นแต่อนุสาสนี ป, ปาฏิหารไม่เข้าทา่าไม่มีเลยไม่รู้เรื่องแล้วไปเรียกผิดอย่างไ น, นที่จึงอริยะในเรียกผู้ที่บรรลุอนุสาสนี ป, ปาฏิหารของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียกแบบของ รุสีขันธารีหรือว่ารุสีมาณิกาเก่งอิติปัติหารเก่งอเทศนาปัติหารนนไม่ใช่อริยะไม่ได้อภริยคนเหล่านั้นน่ะมันฟันเฟืออย่างนี้อาตมาจริงไม่ใช่เลยเอาคําว่าอาริยะของสันสกฤตซึ่งแปลว่าจริงจมือแปลเหมือนกันแต่คนไทยเอามาใช้เป็นสอ ง, ส อ, งอย่างอรยะอารย ะ, ร ะ, ยะก็อามาใช้ชนิดหนึ่งซึ่งอารยะนี่ก็คือนามสกุลของท่านกุศโล โคดบุญอารยะอย่าจำชื่อนามสกุลที่ผิดนะท่านไม่เอาอาริยะท่านบอกว่าท่านเหนียมท่านเหนียมว่าท่านเองท่านไม่มั่นใจว่าท่านมีอาริยคุณหรือไม่ท่านไม่กล้าท่านบอกว่าก็เลยท่านก็เลยเอาแค่อาริยะกันแล้วกันท่านเลยไปขอตั้งนามสกุลเป็นโคตบุญอาริยะซึ่งก็มีมีมีตระกูลเหมือนกันมีลูกหลานบริวารบ้างดินนาโคตบุญอาริยะ แล้วก็มีใครอีกฮ ะ, ะมุ่งแม่นโคตรบุญอาระยะแล้วมีใครอีกมีหลายคนด้วยกันนี่อ่าสาสี่คนนะนี่ก็อาใช้ภาษามาสื่อสภาวะมาสื่อสภาพทำมาสื่ออะไรต่ อ, อะไรต่า ง, า ง, า ง, างๆนานาให้พวกเราเข้าใจว่าเราจะเกิดกี่ชาติกิดตามเกิดมาเป็นคนมีจิตวิ ญ, ญญาณเป็นพลังงานขับเคลื่อนเราเหมือนดาวดวงหนึ่ง ในโลกนี้มีอุกาบาตอุกาบาตชิ้นหนึ่งมันก็มีพลังงานในตัวของมันทั้งพลังงานในและพลังงานนอกมีทั้งพลังงานศักดิ์มีทั้งพลังงานจนนะพลังงานเจรนะิะมันมีอยู่ในตัวของมันอุกาบาตเซนฝุ่นละอองอะไรอยู่ในนอกพิภพนี้นอกเอกภพนอกโลกเหล่านี้ยูเป็น อ, อาวากาศต่างๆมันก็มีฝุ่นละอองมีอะไรแต่ใดมีอากาศมีธาตุดินน้ำลมไฟ ซึ่งมันมีทั้งเล็กกลางใหญ่อะไรจนกระทั่งเราจับไม่ติดสัมผัสไม่ได้เยอะแยะสิ่งเหล่านั้นมันก็มีพลังงานในตัวของมันทั้งสิน้นมีพลังงานในตัวของมันทั้งสิน้นแต่พลังงานของมันในลักษณะไหนละ่ะอยู่ในดินน้ำมลมไฟธาตุสามันพวกนั้นมีพลังงานในระดับอุตุเท่านั้นมีพลังงานระดับอุตุเท่านั้นจะเก่งไปในฤทธแรงทางฟิสิกส์แบบไห น, น ควร้อนแสงเสียงไม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นของมันตอนนั้นและพลังงานเหล่านั้นมันยังไม่ข้ามขีดมาจนกระทั่งถึงขั้นพีชาไม่มาถึงขั้นจิตต ะ, ะมีในคนชีวะระดับสัตว์โลกเดรัจฉานต่างๆก็เป็นชีวะระดับจิตต ะ, ะเดรัจฉานก็เป็นจิตตะแล้วแต่จิตตะอย่างนั้นเป็นเดรัจฉาน เป็นอเวนยสัตว์ยิ่งกว่าคนคนก็ยังแยกเป็นอเวนยสัตว์กับเวนยสัตว์อยู่เลยยิ่งเดรัจฉานแล้วนั่นใช่แท้ๆเลยเป็นอาเวนัยสัตว์แท้ๆสอนให้รู้จักกรรมให้รู้จักธรรมะที่ห้านาธรรมนิยามห้าอย่างอุตตพิชจิตตกรรมแล้วก็ธรรมะห้าอย่างเพราะฉะนั้นพลังงานในเดรัจฉานเนี่ย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 แต่แม่คนแล้วเป็นคนแล้วจะทําอะไรได้มากก็มากก็ตามก็ยังแยกแยะคนเป็นระดับเดินัตว์กับอเวนยศคือสัตว์ที่สอนได้สอนให้รู้จักโลกุตรธรรมสอนให้พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นอาริยะบุคคลผู้ที่สอนขึ้นมาให้เป็นอาริยะบุคคลได้จึงเรียกว่าเวนยศผู้ที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติมาเป็น อรียบุคคลไม่ได้ยังชื่อว่าเป็นอเวนยสัตว์อยู่แต่สามารถสอนได้อีกแบ่งซ้อนลงไปว่าสอนให้เป็นกัลยาณบุคคลได้ไม่ได้ด้วยแม้จะเป็นกัลยาณบุคคลแต่ข้ามเขตมาเป็นอาริยบุคคลไม่ได้เราจะเรียกว่าเวนยสัตว์ก็ยังไม่ได้ก็ออยังเรียกว่าอาเวนัยสัตว์อยู่เพราะยังข้ามเขตมาเป็นอาริยธรรม มาเป็นโล ก, กุตระมาเข้าสู่โลกใหม่อีกโลกอีกหนึ่งอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกที่จะเป็นโลกที่ไปสู่นิพพานยังไม่รู้จักต้นทางของที่จะไปนิพพานและยังทำตนให้เข้าสู่มรรคเข้าสู่ทางที่จะเดินทางสัมโพธิปรายนะเดินทางไปสู่จุดสุดยอดคือนิพพานยังไม่ได้เมื่อจับทิศทางยังไม่ได้ ตนเองยังทำให้เกิดการเดินเข้าสู่ทิศทางเข้าประตูเข้าประตูเข้าทางเป็นโซโดาปฏิมกักเป็นทางต้นเขายังไม่รู้จักทางและยังไม่รู้จักคุณภาพคุณลักษณะแท้ว่าคุณลักษณะนี้เรียกว่าโซดาปัญนะอวินิปาตธรรมนี้นิยตสัมโพธิปรายณนะนี่หรือสามารถรู้จักคีนานิรยคีนาปิตวิสยขีนาติริชานะ รือขีนาไม่อันศิษย์นี่มันยาวาพวกอติวินิบาต ท, ทั้งหลายแหละนะ่โลกของนรกรวมหมดนะอติวินิบาต ท, ทั้งหมดเอาปนีอติวินิบาตนั่นแหละยังไม่สามารถขีนาไปคาว่าหลุดพ้นหรือดับดับนรกดับ เปรตดับอสุรกายอะไรของตนเองออกมาให้ได้สะ ก, ก่อนอด้วยเดริชานดับสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจะรู้อย่างนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักสัตว์รู้จักความเป็นสัตว์สัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์นรกสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์สวรรค์หรือสัตว์เทวดาหรือสัตว์พรหมหรืออารยบุคคลอารยบุคคลก็ต้องอ่ามที่คุณลักษณะทางจิตจิตพ้นเป็นอารยะอย่างไร หรือยังไม่พ้นเป็นอารยาิยะแต่ก็จิตเจริญเหมือนกันจิตเจริญอย่างไรลักษณะขนาดไหนจึงเรียกว่าเป็นเทวดาพ้นความเป็นนรกเป็นพรหมพรหมนี่คือมีสมาธิเทวดาก็คือเจริญเทวดาระดับไหนก็ว่าไปถ้าสมมุติเทวดาสมมุติทเทพก็อย่างโลกโลกกด็ดีไปตามตามหรือไม่ใช่ดีด้วยซ้าไปแต่เจริญรุ่งเรืองแบบโลกโลก มีลาบมากมียศมากเป็นกุศลมันมีจริงๆมันเป็นคุณธรรมคุณธรรมอย่างหนึง่งคุณธรรมแบบโลกีมีลาบมากมียศมากมีสันเสริญมากมีความสุขทางกามทางอัตถะความสุขทางทางจิตชนิดทางอัตตาบมเรออัตตาได้สมใจอะไรอะไรก็ได้สมใจอยากจะเตะคนได้โดยที่เขาไม่ต้องยอมให้เตะง่ายๆได้เอา้า ผสมใจดำอัตภาพอัตตาของตนเองแหมคมเห็นคนได้เอาเปรียบคนได้อะไรก็แล้วแต่แล้วเขายินยอมมาเคารพนับถือได้แม่ดีใจอะไรแล้วแต่อัตถอัตถสุขก็ว่าไปถือว่าเป็นกําไรถือว่าเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นผลได้ถือว่าเป็นรายได้เรียกว่าอัตถะอัตถก็คือสมใจอัตตาอัตตาอัถะบวกอัถะอัตตาบวกอัถะก็เป็นอัตถะ สภาพพวกสภาพพวกนี้มันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณเราต้องเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของเรามีลักษณะอย่างนี้นะนี่มันยังมีเชิงอัศแสวงหาอัตตะสุขอยู่หรืออัตถถถตะทัถะก็ได้เป็นคําบาลีเอาตัวทอเข้ามาอีกตัวหนึ่งอัตตะสุขก็คืออัตะบวกอัตตาเป็นอัตตะและก็ไม่น่านาคาต่อต่อต่อท้อทุงเลยอัตตะเลยก็ได้อัตตะ ททเอตัทอทอหารเข้ามาตัวหนึ่งอัตตะแล้วก็ตทอทหารแล้วก็บรรยากาศต่อเต่าทอ ท, ทุงเลยอัตตะทัตทก็ได้นะเป็นประโยชน์ตนนั่นแหละมันประโยชน์ตนหรือว่ามันผลได้ของตนหรือว่านสิ่งที่สมใจตนได้ของตนอยากได้อะไรก็แล้วแต่นอกเนื้อกา ม, มากามมาสุขเป็นอัตตะทัตทสุขเป็นผลได้อีกอย่างหนึ่งมันก็เอาทั้งนั้นนอกเนือไปจากรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้ทั้งกา ม, มาคุณหา คนที่ได้อย่งนี้สมใจถ้ามันไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็เป็นกุศลอยู่ถ้ามันเบียดเบียนเขาก็เป็นบาปมากบาปนร ก, กนลบกันไปนะจริงๆแล้วมันได้สมใจเหมือนกันสมใจในกาสมาสุขสมใจในอัตทิสัตตสุขแต่ไปเอาเปรียบเอารัดไปเบียดเบียนไปกลมเหงไปทร้ายผู้อื่นนะมันก็เป็นบาปไปแต่ได้ได้สมใจเหมือนกันนะ สร้างบาปสร้างเวรอย่างนี้โดยความไม่รู้นั่นะแล้วก็ทําทอยู่อย่างไม่รู้คนไม่รู้ไม่เรียนธรรมะก็ไม่รู้อย่างเงี้ยสร้างบาปสร้างเวรอยู่นี้เยอะแยะคุณเองแต่ละคนนี่ไม่ต้องละเว้นเล ย, ยเคยทํามาทั้งนั้นแนหะมากน้อยแล้วแต่นะเดี๋ยวนี้มาเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆเข้าใจไปว่าโอ้อยังนี้มันไม่ดีหรอกมันได้สมใจตนจริงเหมือนกันแต่มันไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทําร้ายผู้อื่นทําร้ายแรงจนกระทั่งถึงฆ่าถึงแกง ก็ชัดเจนไม่ถึงก้าถึงแกงก็เบียนเบียนก็อยู่เป็นวิหิงสาก็ไม่เบียนเบียนก็อยู่อย่างนั้นแหละเป็นนี่เป็นบาปตามสัจ ธ, ธรรมสัจ ธ, ธรรมมันสัจ ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นบันทึกตามสัจ ธ, ธรรมทั้งหมดเพราะเรามีชีวิตได้เปรียบเราได้สมใจในกามในอัตถะ แลว้วไม่รู้ว่าได้มานั้นนะมันเป็นบาปเป็นภยัยเป็นหนี้หรือไม่มันก็ทํากันไปอย่างง ม, มงายอย่างอาวิชชาเรามาเรียนแล้วว่าโธ่ไม่ต้องไปเอาเปรียบใครรอกเสียสละดีกว่าจนกระทั่งมาใช้พลังงานตนเองที่อัตมาแนะนําเอาของพระพุทธเจ้ามาสอนจนกระทั่งเราสามารถมีพลังงานสร้างสรรค์มีกรรมกิริยาแต่ละวันแต่ละวันมีสมา ก, กรรมมันตะกสมาอาชีพ บางทีสมาวาจามีอาชีพทางพูดแต่ตมานี่พูดสมากอยัางเก่งก็แค่เขียนเดี๋ยวนี้แบกขามทํานทนทํานีอะไรนี่น้อยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แม้กระทั่งเทโถเยี่ยวตัวเองยังไม่ได้ค่อยได้เทเลยเดีย๋ยวนี้มีคนทำให้มันไม่ค่อยทำงานทางนี้มากแล้วทำทางงานทางพวกนี้มากรับผิดชอบทำหน้าที่อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปทดแทนกันไปแลกเปลี่ยนกันไป ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปคนนั้นช่วยอันนี้คนนี้ช่วยอันนั้นคนไหนถนัดอันนี้มีเวลามันก็เป็นลักษณะของมนุษยชาติที่รู้จักแบ่งกั น, นช่วยเหลือเกื้อกูลกันทํางานเผื่อกันแบ่งกันไปแต่ละถนัดแต่ละหน้าที่แต่ละวาระในวาระที่อาตมาไปต้องไปเทกขดทนขี่ขดทนเยอของคนบ้างได้เราก็ต้องทำมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องหน่าเกลียดหน้าเลวไร้ต่ําสามอะไรมันไม่ใช่ เป็นเรื่องที่ดีด้ยซ้ำไปเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยทำถ้าพูดถึงเรื่องแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วเป็นงานที่คนไม่ไม่ค่อยทำแต่เป็นงานจำเป็นเป็นงานต้องทำมันควรไปทำงานนั้นควรให้ราคาแพงโดยหลักเศรษฐศาสตร์เพราะคนไม่ค่อยประสงค์จะทำแต่มันเป็นความจำเป็นของในชีวิตคนเก็บขยงขยะนี่ควรราคาแพงนะควรราคาเท่าๆกันกับนายกนะ พรว่าเป็ไม่ค่อยอยากทําไปเทอือเทขี้อะไรอย่างงี้เป็นต้นมันไม่ีใครค่อยอ ย, อ ย, อ ย, กอยากทำนั่นแหละควรได้ราคาเข้าแพงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละคือความไม่เข้าใจเป็นความเหลื่อมล้าแล้วก็ไปดูถูกเดียดชั้นกันนะเป็นชั้นต่ําชั้นสูงอะไรต่างๆนัานะแล้วมันเป็นความจําเป็นไหมสําคัญไหมมันจำเป็นสําคัญแต่เขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องคุณค่าในเรื่องของความสําคัญพวกนี้ แล้วเคยผิดในเรื่องคุณค่าแล้วก็เลยเอาเรื่องเมื่อตีราคาคุณค่าผิดก็ไปตีราคามูลค่าผิดอีกไปให้ราคาของคุณค่าไปตีราคามูลค่าของคุณค่าที่ควรจะเท่าเทียมกันก็ไม่ถืกเท่าเทียมกันนี่คือความช่อชรหรือเป็นความอายุติธรรมในสังคมนะเราก็ขยายความอันนี้ไปนิดหน่อยทีนี้ก็มาพูดให้รู้เรื่องเรื่องจิตวิญญาณ ว่าจิตวิญญาณนี่แหละพระพุทธเจ้าตะคดความมาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่รู้สุดยอดก็คือความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ที่สามารถเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและมันมีพลังงานมีความสามารถมากที่สุดเท่าไหร่ก็มากได้ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์นเทศนาปาฏิหาริย์โลควิทูภูหิสูตรอะไรได้ขนาดไหนอ้มากมาย แต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ตัวเราว่าเราจะทําพลังงานของเราด้วยวิจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนกระทั่งแข็งแรงแข็งแรงสมตัวเลยเดียวว่าไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังทุวังสตังอวิปนินามะธรรมังเลยอสังหีลังไม่มีอะไรมาหบหลักหักล้างได้อีกแล้วเรียกว่าได้ย่างไม่มีฟื้นอสังกุปปังคือ กิเลสในตัวเราสิ่งบกพร่องเลวทรามในตัวเราล้างออกจนจิตออกจากจิตเพราะพลังงานนี้อยู่ที่จิตล้างออกจนหมดเกลียยนสะอาดจิตบริสุทธิ์สะอาดสะอาดชนิดแข็งแรงแข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานเท่าที่เราจะยืนแน่นนึกเท่าที่เราจะแน่นและนึกนบเท่าที่เราจะมี นึกนกคือการกรตัญญูกตเวทีการมีสมาคารวะการมีคุณธรรมอย่างดีงามเป็นคุณธรรมคุณลักษณะทางจริยธรรมนึกนบเป็นคุณธรรมทางจริยธรรมเป็นคนที่มีอาการที่น่าเหลื่อมใสมีปาศาัทธากายกรรมวจิกรรมโนกรรมมีความอ่อนนอ้อมสุภาพอ่อนโยนกระตัญญูกตเวที เป็นคนที่มีสิ่งที่ดีงามทางจริยธรรมเนี่ยวันนึกนบนะเพราะคนที่แข็งแรงสมตัวแล้วไม่ตกต่ำแล้วได้ในสิ่งที่เป็นบาปไม่ทำนะสปปรพปาปะกระกรังนะไม่ทำบาปทั้งปวงัวทำแต่กุศลจิตสะอาดถึงนิพพานสามารถที่จะ ปรินิพานตายศูนย์สามารถที่จะตายแล้วก็ดับภพบจบชาติไม่ตั้งภพไม่ตั้งชาติอะไรอีกดับภพบจบชาติอีกศูนย์สลายไปหมดเลยเป็นสุญญาตาอย่างแท้จริงเป็นอนัตตาอย่างสุดยอดอนัตตาอย่างสมบูรณ์อนัตตาสุดท้ายไม่มีต่ออีกแล้วอะไรก็ไม่ต่ออีกแล้วตัดสันตติไม่มีความสืบต่อ ได้นั่นคืออรหรอนอนนอันต์นนนนนนยืนยืนา น, ยนานยืนนานแน่นลึกนึกน บ, นกนบได้อ้าวจะขอบคุณก็ได้เป็นไปได้นะ <c oughs> มันก็อยู่ในนึกนบนั่นแหละควจะเอาขอบคุณนีกก็ได้แยก่กาา็อมกขอบคุณก็เป็นคนกรตันยุกตเวทีก็คือขอบคุณนั่นแหละกระตันยุกตเวทีนี่ยิ่งกว่าขอบคุณ ขอบคุณนั่นแค่แต่ปากแล้วก็แสดงการขอบคุณแต่นึกนบที่เป็นกระตันยูกรตเวทีเนี่ยมันทดแทนบุญคุณเขาไปเลยลงมือกระทายิ่งก็ขอบคุณอีกคุณท่านมันมาจากภาษาเขาชอบคุณอืมเออคุณจะเป็นชอช้างกันเล่นไปเรื่อยก็ยาวยืดไปได้คือถ้าต่อไปก็ต่อได้เรื่อยๆนะก็ใช่ก็ได้อชอบนะแต่ชอบบางทีก็เลวได้เหมือนกันนะชอบคุณเนี่ยนะไปเรื่อยๆจะเถิดไปอีกก็เลวได้ชอบคุณเนี่ย ชอบคุณประเภทที่เรียกว่าเอาชอบเลยชอบคุณเอามาไว้ของฉันคนเดียวแล้วคุณก็ตายเสียคือขมคืนแล้วราคาเลยชอบคุณเหมือนกั น, นมันก็ไปได้ก็มันมีขีดขั้นสะบ้างนะไม่งั้นมันไม่รู้จักจบวนทําไม่รู้จักจบจบจะต่อไปเรื่อยขอบคุณมันก็อยู่ในเรื่องของนึกนอบนันเป็นเรื่องของกตตัญูกตเวทีนั่นแหละสมบูรณ์แบบอย่างนี้นั่นแล้ว เพราะถ้าจิตปัญญาของคนเนี่ยที่เป็นเวเนยสัตว์สามารถที่จะเรียนรู้กรรมรู้ธรรมะรู้ธรรมะในระดับกัลยาณธรรมรู้ธรรมะในระดับอาริยธรรมหรือโล ก, กุตระรู้จริงๆโล ก, กุตระหมายถึงอะไรหรือโลกอารียธรรมที่ว่านี่คืออะไรอาริยธรรมคือธรรมะขั้นประเสริฐขั้นเจริญนะขั้น ประเสริฐขั้นเจริญที่เข้าขอบเขตโลกุตระหรือพูดสันส้นๆก็ว่าอริยะก็คือผู้มีโลกุตระธรรมไม่ใช่โลกีธรรมโลกุตระธรรมคืออะไรโลกุตระธรรมก็คือผู้ที่เข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เดินทางไปสู่นิพพานรู้จักการลดละจนกระทั่งดับกิเลสได้จริงและก็ได้ขึงขันสอบได้ โซดาบันก็สอบได้แล้วโสดาผลสอบได้คือกิเลสของเราเคยมีนี่เรารู้ตัวมันรู้สักยกายรู้อัตตารู้ตัวตนของมันแล้วสามารถทำกิเลสให้ลดลดลดลดจงกระทันเรารู้ว่ามันลดจนมันเข้ากระแสที่มันไม่ถอยหลังคุณภาพครึ่งกลางมีโสดาปัญะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายนะ คือกิเลสที่มันเป็นคีดมันเป็นนิรยภูมิปิตวิสยาภูมิหรือเดรชานภูมินี่แหละเ อ, เอาวินิสัตว์วินิมาตเนี่ยพวกนี้ภูมิต่ำพวกนี้เรารู้แล้วสัตว์จิตวิญญาณที่ต่ําอย่างนี้แล้วเราก็ท่าเหตุที่มันจะเป็นสัตว์ญญต่ําพวกนี้มาได้จนกระทั่งจิตวิญญาณของเราจเจริญมาท่าเหตุมันจนกระทั่ง ค่าได้นชนิดที่เรียกว่ามันไม่มีริทมีแรงเข้ากระแสมาแล้วไม่มีริทมีแรงจนกระทั่งมาสองขั้นโสต้าปนะเอาวินิพากตะธรรมเอาวินิปากตะธรรมหมายความว่าไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาแปลเป็นไทยว่าไม่ตกต่ํามันอาจจะยึกยักยึกยัยอยยอ ก, ยกอยู่ว่าไงมันยังมียังไม่ไม่แน่นยังไม่เที่ยงยังไม่มั่นคงยังไม่ยังยึกยักอยู่อยู่จุ่มันเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ความจริงเราก็สังวรมันมีได้มากกว่าเสีย นิ่นิดหน่อยเสียจนกระทั่งเรารู้ว่ายังไงยังไงก็ไม่ตกต่ําไปออกแต่ว่ามันก็ยังมันยังไม่หมดก็คงจะรู้ลักษณะนะคนใลักษณะพวกนี้จนกระทั่งแข็งแรงมาถึงขั้นที่สามนนิยตะแน่นอนเที่ยงแท้ม่ยึกยักแล้วมีแต่จะลุยหนะ้าสัมโพธิปราญนะมุ่งไปสู่เดินทางไปสู่ที่สูงที่สุดแต่ถ่ายเดียวสัมโพธิปราญนะเราจะรู้ลักษณะ อย่างพวกนี้แอติบุตุจัตตุาไว้นี่โอ้โหสุดยอดแห่งคาสอนนะคุณลักษณะต่างๆพวกนี้เราอ่านจิตวิญ ญ, ญาณของเรารู้ว่าแค่กัลยาณธรรมนั่นไม่แน่ไม่ทิ้งแท้บนลงต่ําได้ตกต่ําได้ฟื้นได้ว่าเราได้แล้วแต่มันไม่ได้ไปที่ต้นเหตุมันไม่ได้ฆ่าต้นเหตุจริงๆมันไม่ได้ทําลายที่ต้นเหตุจริงๆจึงมั่นใจไม่ได้ไม่รู้จักต้นเหตุด้วยไม่รู้จักสมุทยัยสมุทัยอยู่ที่ไหนพลังงานที่จิตวิญ ญ, ญาณ พลังงานนี้เราจับตัวตนมันได้บ่กิเลสตะนะอุปทานจะเรียกชื่อมันอะไรก็ว่าไปในลักษณะไหนเรายแยกย่อยไปอีกเป็นราคะโทสะโมหะละเอียดกลางหยาบอะไรไปอย่างอีกหรือตามเหตุปัจจัยรูปลอกดินเสียงสัมผัสหรือตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรก็ว่ากันไปมันจะละเอียดใจไปครับผสมประสาน ก, นกันกับอันนั้นอันนี้เราก็จะรู้ละเอียดไปเรื่อยๆจนเราสามารถทําลายได้จริงอย่างที่ต้องมีปัญญาของตนเองมีญานของตนเอง รู้ได้โดยตนปัจจตังของตนเองจริงๆพูดมาถึงขนาดนี้อธิบายถึงขนาดนี้เนี่พอรู้ตัวเองได้ไม่ว่าเรามั่นใจว่าเราเองเรามีภูมิธรมอย่างนี้อริยะคุณแบบนี้หรือโลกุตธรรมอย่างเนี้ยในตัวเราเนี่ยได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่ได้มากก็นินิมินินินิมินิ หรืออาจจะโมมินิก็ได้อโมอมินิโมมินิก็มากขึ้นน้อยมินิโตมินิโตขึ้นหน่อยมีบ้างไหมถามไปเนื้อบางคนยังไม่กล้าตอบไม่แน่ใจแต่คนที่กล้าตอบแล้วแสดงว่านามมาทำพวกนี้เนี่ยพิสูจน์ได้อากาลิโก แม่ในชาตินี้แม้ในปัจจุบันนี้อากาลิโกพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ถึง 2,590 ปีปีนี้45พระพุทธเจ้านับนึกนับพศ1เมื่อ45ปีพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วทํางานศาสนา45ปีปรินิพพานนับพศ1เมื่อพระพุทธเจ้าปฏินิพพานเพาะงั้นตอนนี้ก็ 2,590 ปีที่มีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ขึ้นมามีศาสนาพุทธ พระเจ้าปรินิพานไปตั้งร่ว่ศาสนาพุทธหมดไปตั้งผ่านไปทั้ง2590ปีแล้วก็ตามปีนี้ก็ยังพิสูจน์ได้ยังยืนยันได้มีคนฟังรู้เรื่องในโล ก, กุธรธรรมในเรื่องของอาริยธรรมธรรมะในระดับนี้รู้ได้จิตวิญญาณนี่แหละรู้ได้เป็นเวนัยสัตว์รู้ปฏิบัติได้พิสูจน์ได้อากาลิโกท้าทายให้มาดูได้ ดังนั้นพวเราจะต้องทําความจริงอันนี้และปรากฏถ้าเราทําความจริงอันนี้ปรากฏและยืนยันยืนหยัดไปเรื่อยๆให้แข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบไปได้เรื่อยๆจริงๆสิ่งนี้ก็จะไปอีกธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็จะไปอีกจนกว่าจะหมดห้าพันปีของพระพุทธเจ้าหรือของาศาสนาพระพุทธเจ้าโสมณาโคดมนี้ ก็หวังอยู่ในพวกเรานี่แหละที่สามารถรู้ความจริงกันนี้เดี๋ยวนี้ที่อื่นพูดกันก็พูดไปก็เหมือนกับเรายกตัวยกตนที่อื่นจะมีบ้างหรืออย่างไรก็ยังไม่ได้มาเจอกันนะอาจจะมีอยู่มุมไหนของโลกลูกนี้หมกอยู่ที่เอสกิโมหรืออยู่ในนิวกินีนะอยู่ฮันซาเอ๋อคิดว่าจะอยู่ที่ฮันซาเนาะ ก็ยังไม่รู้เรายังไม่รู้เราจะพูดไปมันก็ยังไม่ได้คือคนมีบารมีบางคนก็ไปมีวิบากไปเสมัยบุญอย่างนั้นนะก็ไม่ได้มาพัฒนาเพิ่มขึ้นก็ไปติดแงกอยู่ตรงนั้นก็มีอย่างนี้ไปต้นซึ่งอาจินย์ใจในเรื่องของกรรมวิบากนีมีมากไม่มาละเอียดก็มีบุญบารมีแล้วนะแต่มันก็ไปติดค้างไม่รู้ไปมีวิบากแบบไหนไปค้างตึงอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ไม่ได้มาพัฒนาไม่ได้มบูรณาการไปหมักอยู่งั้นนะ ไม่แต่เจริญเกิดมาชาติหนึ่งก็เป็นนั่งเสวยบุญก็เป็นสุขดีก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรมากมายแต่ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะอย่างที่แซมดินว่าก็อาจจะเป็นได้ใช่อาจจะเป็นได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกนี้ในมหาจักรวานี้มีคนเก่งอาตมายังไม่ได้คนเก่งที่สุดยัมีคนเก่งกว่าเราเราจะไปดูถูกดูแคลนั้นไม่ได้ะ เราก็จะเข้าใจสภาพจริงที่เป็นสศาสนมเป็นนามมาทำที่เราพูดนีนเป็นเรื่องปรมัติตเป็นเรื่องของอภิธรรมนะแล้วเราก็ได้พิสูจน์กันแล้วทุกวันนี้อาตมาเชื่อว่าพอเรามั่นใจแล้วเราก็ทํางานโดยระบบของโลกเอาระบบของโลกพอมารวมเข้ายุคพระพุทธเจ้าเราทํางานอะไรไม่ได้มากมันไม่ใช่ทํางานอะไรไม่ได้มากยุคพระพุทธเจ้านานมันไม่มีความเดือดร้อนบ่นวุ่นวายนะักเรื่องการเมืองมันก็ไม่วุ่นวาย เรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่วุ่นวายอะไรมากมายเพราะในเรื่องสังคมศาสตร์ก็ไม่พิสดารอะไรเยอะแยะไม่ต้องอยุ่ยงยากมากมายมหาหอประสบการณ์ลเล่นอบายามุกอะไรต่างๆนานามันยังไม่จัดจ้านมันยังไม่เหมือนทุกวันนี้หรือแม้แต่ในเรื่องของศักด์อำนาจในเรื่องของศักดินาในเรื่องของอำนาจบาดใหญ่ในเรื่องของโลกมันก็ไม่มีอะไรมากมายอ่า มันยังไม่จัดจ้านอะไรมันยังสงบเรียบร้อยพอเป็นพอไปใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมันก็สบายสบายไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเขาก็อยู่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเปลี่ยนแปลงยากด้วยตอนยุคพระพุทธเจ้ามันยังไม่มีทุกขยังไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรมากมายเหมืนอนทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่มันโอ้ไม่ว่าจะเป็นระบบ ร, ระบบบริหารระบบบริการแม้แต่ระบบนักบวช มันเละเทะเลอะเทอะไปหมดแล้วผู้ที่เข้าระบบระเบียบไปเองโดยจะรู้จักความเลอะเทะเละเทะความยุ่งวุ่นวายความสับสนความไม่รู้จักอะไรที่ควรคัดออกอะไรที่ควรเลิกอะไรที่ควรทรงไว้อะไรที่ควรบูรณาการเขาก็ไม่เข้าใจ uh huh. เมื่อเราเข้าใจแล้วเราต้องการที่จะเลิกอะไรทรงไว้อะไร และจะบูรณาการไปอะไรเราก็ต้องรู้อย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามอย่างพวกเรานี่หนึ่งเราไม่รับอบายมุขทั้งหลาย <c oughs> จะพูดยังไงก็แล้วแต่คุณจะเอาอบายมุขมาแก้ไขเศรษฐกิจอะไรก็ตาคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีชีวิตแหมจะต้องแก้สถานาการณ์ด้วยการเอาอบายมุขมา เสียเหลี่ยมจริงๆเลยนะมันเสียเหลี่ยมจริงๆมันไม่มีฟฝีมือเลยอะ่ะมันทำไมมันจะจนแต้มขนาดนั้นแก้สถานการณ์ของสังคมเราแก้สถานการณ์ของชีวิตเราแม่ชาวอโศกนี่ไปไม่รอดแล้วเศรษฐกิจจะแย่แล้วต้องไปขายลอตเตอรี่ว่างั้นนะมนก็ยังไม่หยาบอะไรเท่าไหร่หรอกนะว่างั้นนะอ่าตำรวจไม่จับพราะขายลอตเตอรี่นี่มันก็ยังถือเป็นของสังคมอยู่ แม้จะเป็นการพนันชนิดรัฐบาลทาเองอะไรก็ตามใจนะอัตมาคิดว่าเราคงไม่สิ้นไรไม่ตอกถึงขนาดนั้นนะมักงตกต่ำนะยิ่งจะต้องไปน่อ่ยอะไระไปเต้นกินํำกินไปเต้นหาลำหาเงินไปอะไรมาเลี้ยงชีวิตกันนะสรุปแล้วก็คืออาบายามุกมหรสพจับยาบอย่างโล่ๆเขามานะไปเต้นไปทำ ไม่ต้องไปทำถึงขนาดโน้นขนาดไหนที่เขาทำเราเราทำแค่เป็นการละเล่นได้เป็นอเมเจอร์ได้คุณจะเต้นมัง่งคุณจะรามัง่งคุณจะร้องมัง่งอย่าไปใช้หาเงินคุณจะเล่นกีฬาคุณเล่นบางอย่าไปใช้หาเงินถ้าใช้หาเงินหรือเล่นเป็นอาชีพคือเล่นจนหนักจนมากในชีวิต เอาภาระอย่างนั้นจริงๆเลยหัดเต้นหัดรำจริงๆเลยหัดเล่นกีฬาอย่างนั้นจริงๆกันหนักกันหนาเลยยังไม่ได้เงินก็ตามคือใช้เวลาใช้ชีวิตไปมากเกินการอย่างนั้นเรียกว่าอาชีพอาชีวะนะเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วไม่เอาจะมีบ้างไม่จัดจ้างหรือจะขนาดอะไรก็แล้วแต่ใจไม่ติดหรอกเป็นอเมเจอร์ เป็นเรื่องเล่นเล่นเรื่องหรือก็เรื่องรีแล็กซ์เรื่องชโชคลาภเรื่อ ง, cloud, องพอใจแล้วก็เป็นศิละปะด้วยไม่มองเมาไม่ทําให้เสียหายเอามาสร้างเป็นศิละปะได้ด้วยเราก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่างฉลาดนะรู้จักศิละปะเหล่านี้อย่างสมบูรณ์นะต้องเข้าใจต้องแบ่งให้ออกเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้นี่ให้ที่ซื้อศีลแปดแล้วทําไมไม่ให้เต้นให้รําให้ร้องให้อะไรๆคือคนยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วเอามาใช้เป็นศิลปะให้มาททำเป็นมงคลอนุดมเสริมสารและเราก็มีการทำทำแล้วเราก็ไม่ได้ติดหรอกทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำเป็นระดับอเมเจอร์ทำในระดับของมันจะแปลว่าอะไรดีอ่ะอเมเจอร์มันสมัครเล่นเออมันนั่นแหละมันก็เรื่องเล่นสมัครมันเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องจริงก็รู้ว่าเรื่องสมัครเล่นเรื่องเล่นๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราว มันไม่มีใจผูกมัดไม่โดยเฉพาะไม่ได้เอาไปทำกันหาเงินเลยเพราะฉะนั้นในแวดวงในสังคมของพวกเรานี้ไม่เอานะหาเงินด้วยวิธีเอาพวกอ อ, อ, อบายมุกมาหาเงินไม่เอาเด็ดขาดหรือไปทำกันอย่างมากๆอาชีวะเป็นระดับอาชีวะต้องเข้าใจความหมายคาว่ า, าอาชีวะอาชีวะไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้เงินเท่านั้นแต่คุณไปเล่นยังคุณนายคนหนึ่งในฐานะดีเป็นอ่าเป็น อะไรล่ะเป็นเรียกเขาเรียกอะไรนะ oh. เสียที่นี่เขาเรียกอะไรคำหนึ่งข้าบดีอะไ ร, ตตรข้าปัตตณีเป็นคุณนายพูดจริงเเรียกข้ปัตตณีนะเป็นคุณนายข้าปัตตณีร่ํารวยไปเล่นไพ่เก่งไม่ใช่เก่งหรอกเล่นไพ่จัดวันก็ไปบ่อนไปถาเล่นไพ่วันฟุกวันก็ไปนั่งเล่นไพเป็นอะไรไม่เก่งกเสียกับเสียไม่ใช่ได้เงินนะจิมายแต่รวย พอพัวหามาฉันก็ค้นไปเล่นไปวันวันก็เล่นไพ่รู้เล่นไม่รวยมีได้เสียเป็นมูสนามแต่ชอบติดเล่นไพ่เล่นรวยเพราะไม่ใช่เล่นรวยขออะไรเล่นจัดนั่นก็เป็นเล่นไพ่อาชีพได้เงินไหมชิมหายเล่นเสียด้วยไม่ใช่เล่นได้นะแต่เล่นจริงเล่นจังเล่นมาก มีชีวิตยอยู่กับการเล่นไพ่ชอบแล้วเกินรักแล้วเกินมันแล้วเกินแล้วก็ลเล่นไปแล้วก็เสียเงินด้วยเรียกว่าอาชีพไห ม, ม, มเสียเงินด้วยนะมีแต่เสียกับเสียเพราะจะไปเอาการการได้เงินมาเป็นรายได้นี่เรียกว่าอาชีพไม่ได้ไงเสียเงินอะไรเป็นปสมาชิกเสียเงินอะไรเป็นสมาชิกอ้าวอ้าวตกล ง, องก เ, เอออ้าตกลงเนี่คุณก็ตีกลับเนี่ยเนี่ยเขาเป็นนักตีกลับ นักปฏินิสสค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกอัตมาไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกลับดีง่ายเพราะอัตมาเป็นคนไม่เรื่องมากนะอัตมาไม่ม่ไม่มีปัญหาเท่าไรหรกก่รรนนร ก, นะรรก็แต่คนอื่นก็มันมันยังตึงกิจตึ ง, งิจอยู่เขาทนไม่ได้นะเพราะงั้นอย่าไปสร้างทุกข์ให้แก่คนอื่นสร้างทุกข์ให้คนกอืินเขาหรือว่าประเดี๋ยวคนทนเขาทนไม่ได้ทุกข์ไปคนอื่นไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต่อคิวิบากของคุณก็แล้วไปนะแต่พวกเราก็คงไม่เท่าไหร่หรอกคนที่ คนไม่ได้อื่นๆหรือมันไม่แน่นะคนพวกเรานี่อาจจะบอกว่าไอ้ความทนมันมีขีดจำกัดนะเพื่อนก็แล้วแต่มันมีอยู่ก็ได้ก็แล้วแต่บางคนมันสุดทนแล้วนะโว้ยเนี่มานี่ยอันสุดท้ายเลยเนี่ยอันสุดท้ายเต็มขันแล้วนันี่ล้นเลยตอนนี้เนอะก็แล้วแต่นะแต่ตัวใครตัวมันเนี่ยอันนี้เรื่องนี้อาตมาก็ช่วยไม่ได้นะ เอาละก็อธิบายอะไรเสริมอย่างนี้ก็เป็นความการเสริมนะที่พูดนี้เป็นอธิบายเสริมให้รู้ว่ามันมีขีดมีเขตมีอะไรอของมันเราจะรู้ขีดเขตอะไรของมันจะเข้าใจว่าชีวิตมันก็เท่านี้แหละคุณเพราะเราเลิอกอบายมุกมาเราไม่เลี้ยงเอามาเลี้ยงชีพเราไม่มีมีในแวดวงของเราสังคมของเราสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้อย่างน้อยนี่ไม่มีอบายมุกนี่คือระดับโสดาบันระดับอาริยะโลกอาริยะโลกโสดาบันขึ้นไปโลกที่ปิดอบาย โซดาคือปิดอบายภูมิก็รู้กันมาก็เรียนกันมาแต่หนแต่ไห น, แ ต, ไหนแต่พิสูจน์จริงกันบ้างซีนี่แหละโลกนี้นไม่มีเหล้ายาปาปิ้งอบายมุกเล่นการปนันของอะไรโลกโลกเขารู้กันทั่วกันพูดกันรู้เรื่องแม้แต่คนชาวโลกทั้งหมดก็รู้เรื่องโลกนี้ไม่มีจริงๆนี่แหละแดนอาริยะมากไปไหมมากไปไหมใน ม, มากที่ระของจริงแดนอาริยะ ถ้าเรียกว่านี่คือแดนสีอารียเมตรไตรใช่ไหมใช่ใชแล้วมีต้นกนะระลาปพึกด้วยสาธารณโภคีสาธารณพ ค, คีนี่แหละคือต้นกนะระลาปพึกใครก็มาเก็บไปกินได้แต่ไม่มีขี้โลกกินก็ส่วนตัวตอนนั้นกินก็พอกินพอใช้แล้วมีสันโดษมีมากน้อยด้วยเห็นแก่ผู้อื่นด้วยบางทีก็อดทน้ำเออไอนี้เรามันแข็งแรงกว่าเขามันเหลือน้อยแล้วนะันี่แม่เลือ เม็ดข้าวเดอสองเม็ดสเม็ดเองแม่เราแข่งแรงกับเขาเอาเธอคนนี้อดเอากินไปก่อนเธอเราอดเอาได้มีน้ำใจอย่างนั้นด้วยมีต้นกำลังประพฤกนี่ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่พูดอยู่แล้วก็เรื่องสมมติเป็นเรื่องไม่มีหรอกในโลกเรารู้เราชัดเจนแล้วเราพิสูจน์ได้นี่คือความจรงิงสิ่งนี้แหละโลกอย่างนี้สังคมอย่างนี้มนุษย์กลุ่มอย่างนี้แหละ อาละนี่ขั้นนี้เป็นอาริยระดับนี้อาริยสูงกว่านี้ได้ไหมได้ไหมไ ด, ไ, ดได้โดยใครโดยกูเองต้องได้โดยกูเองโดยมะมังมะมะกูเองมะมะนี่แปลว่ากูเองโดยเราเองมะมะมะมังนี่แปลว่าต้องเรานี่แหละ ทำไมต้องเป็นเราใช่ต้องเป็นเราถ้าเราพัฒนาตัวเราได้มีคุณภาพของคุณลักษณะที่เป็นพุทธธรรมหรืออริยธรรมที่พุทธเจ้าท่านทำไว้ในพูดสรุปสรุปเนี่ยไปให้แข็งแรงดีกว่านี้เข้มข้นกว่านี้แข็งแรงทนทนทนทานยืนานานแน่นลึกนึกนบมันมาถึงระดับนี้แล้วตอนนี้ต้องเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นว่าสิ่งที่เป็นในคาแต่ละคาที่อาตมา เอามาเรียบเรียงแล้วก็เอามาพยายามยำเน้นเพื่อให้เสริมสภาพที่เราจะบูรณาการที่จะอินเ g อร์เกรตขึ้นอีกที่จะบูรณาการขึ้นอีกนี่ก็อย่างนี้อาตมาพูดแล้วก็คงจะเข้าใจนะเราต้องทำให้จริงทุกวันนี้นี่มีกลุ่มมีกลุ่มมีก้อนมีสภาพของสังคมมีสภาพของมนุษยชาติจะเป็นกลุ่มเล็กอยู่ก็ตาม กลุ่มเล็กเนี่ยมันถ้าเบอรมันดีเราก็มาพิสูจน์สัจธรรมกันว่าความดีมันจ ะ, จะเจริญได้อีกเท่าใดอัตมารู้คร่าวๆรู้ลางๆรูรๆ้คร่าวๆอยู่ว่ามันโตได้อีกอัตมารู้คร่าวๆ ร, รู้รู้รลางๆหรือรู้แน่ๆก็ได้แน่ๆว่ามันโตได้อีกแต่โตได้เท่าไหร่นั่นลางๆโตได้อีกเท่าไหร่นั้นลางๆคร่าวๆอัตมารู้ไม่ชัดอก ว่ า, าจะโตได้อีกเท่าไรเพราะอาตมาไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่ใช่คุณคุณจะโตไหมคุณจะโตไหมอาตมาไปรับผิดชอบเรื่อรับรองให้แก่คุณไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณแต่ละคนที่ละคนรับรองตัวเองแล้วก็ไม่ใช่รับรองเฉยๆตั้งใจพัฒนามันก็จะมีสิ่งจริงมีการเจริญขึ้นมาความประเสริฐเจริญขึ้นมาจริง สิ่งนี้แหะอาตมารู้แต่ว่าในพวกคุณนี่มีปรารถนาดีมีการตั้งใจที่จะเจริญกันอยู่ไม่ถามพวกคุณฮันไม่ถามผมใช่ไหมจะเจริญกันหรือเปล่าจะเจริญกันีใช่ไหมอ่าไม่ถามพวกคุณนะถามทางนี้ก่อ น, นแต่พวกคุณก็เชื่ออัตมา ก, ก็เชื่อว่าพวกคุณก็จะเจริญเพราะงั้น เมื่อมีความจริงของการตั้งใจตั้งแต่คำตั้งใจคืออธิษฐานนอกจากอธิษฐานแล้วคณต้องมีวิริยะอธิษฐานต้องมีวิริยะและต้องมีขันติต้องมีสัจจคันติอะไรสัจจคันติอธิษฐานมีธรรมะขันติต้องมีสิ่งเหล่านี้จริงและต้องอดทนมันต้องอดทนการทำยิ่งโลกทุกวันนี้ ความเลวร้ายกะลียุคหรือสิ่งที่มันเละเทะเลอะเทอะเนี่ยที่มันเป็นเรื่องตกต่ําเรื่องเสื่อมเสียเนี่ยมันมีมากใช่ไหมอธรรมพูดง่ายงคืออธรรมนี่มันมากยิ่งมากมาอย่างเงี้ยอธรรมยิ่งมากเงี้ยเรายิ่งทํายากโดยลักษณะราคาหรืออัตร า, าทางทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยยิ่งทําได้คุณค่าหรือมูลคุณราคาหรือมูลค่า อัตราทางเศรษฐศาสตร์ของสัจธรรมเนี่ยมันยิ่งมันเพรียงแพงใช่ไหมยิ่งค่าสูงใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะทางโลกมันยิ่งต่ําลงไปมากเท่าไหร่สิ่งที่เป็นคุณธรรมที่ดีวิเศษเนี่ยมันก็ยิ่งหายากยิ่งหายากยิ่งมีดีมานสูงใครซับปลายได้ราคาของ สิ่งที่ซัพพลายมาเ น, น it, mm ี hmm. like ่ย right? ม oh so ันก็ยิ่งราคาสูงใช่ไหมก็คงจะไม่งงอะไรมากมายมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรที่จะรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบการวัดราคาหรือการรู้จักความจริงที่มันเกิดเนี่ยมันมันเป็นวิธีคิดง่ายๆจะเรียกเศรษฐศาสตร์จะเรียกวิธีคิดอะไรก็ตามใจเถอะเราพูดกันก็คงพอเข้าใจรู้เรื่องเราไม่ใช่นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเก่งๆยยอดอะไ ร, aik, jednak, bek, ved, ะไรที่จะใช Beast, ้ภาษาวิชาการอะไรมากมายมีภาษาวิชาการเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็เอามาพูดฮะใช่เนาะบางคลหายากบุคคลที่เป็นอย่างนี้มันหายากนี่มันแพงถ้าจะว่าแล้วทุกวันนี้นี่นะคนในโลกขณะนี้นี่นะคนที่จะสามารถหรือว่าคนที่กําลังพยายามที่ข้นขวาย มีชีวิตเพื่อที่จะสะสมสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าสิ่งที่อะไรล่ํารวยให้แก่ตนเองเนี่ยคุณว่าใครสะสมได้มากที่สุดขณะนี้ในโลกบิงเกตได้มากใช่ไหมอาตมาเพราะอาตมามาสะสมในสิ่งที่มันเป็นดิ ม, มานทั้งโลกเลยเนีย่ดิ ม, มานหายากนะเนี่ยสิ่งที่เป็นสินค้าสินค้าในโลกนี่คือสินค้ามนุษย์ มนุษย์ที่เป็นอาริยะหายากมนุษย์อาริยะหายากมากอาตมาก็มาหาสินค้านี้แล้วก็สร้างสินค้านี้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้มาเยอะแล้วนี่นตีราคาเนี่ยอาตมารวยกว่าบินเกตจริงไม่เชน่าแล้วมันเป็นจริงอะถ้าคุณเข้าใจคุณเชื่อไหมเนี่ยอาตมาพูดจริงไหมเนี่ยราคาสูงกับบินเกต มหาวิยาลัยอา้าวเทียบเข้าไปให้ใกล้ๆเขาก็สร้างคนเพื่อจใจใจสร้างคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมเพื่อที่จะมาช่วยโลกช่วยสังคมแต่เขาสร้างไปเป็นมนุษย์โลกยียามันยิ่งไปกรอบโกยมันยิ่งไปอะไรอะไรมากขึ้นมหาวิยาลัยอาตมาก็สร้างคนเหมือนกันสร้างคนให้มาช่วยโลกมาเป็นอริยะบุคคลที่แท้จริงช่วยโลกคนที่มหาวิยาลัยที่อาตมาสร้างนี่มันดูเหมือนน้อย ดูเหมือนน้อยกับมหาวิทยาลัยจุฬาราชมหาวิทยาลัยจุฬาราชจุฬาลงกรณ์มหาจุฬาราชกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาลงกรณ์ก็ตามมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็ตามหรือธรรมศาสตร์ก็ตามก็เศรษฐศสาสตร์ก็ตามของเราเนี่ยสมาสิคาลัยวางชีวิตเนี่ยนิสิตจริงมั่งนิสิตจรนนิสิตไม่ค่อยลงทะเบียนก็เยอะ นี่สิทก็มาอยู่นีอยู่ในมหาวิเลยนี่แหละเป็นคนงานในมหาวิาลัยแต่แอบเรียนไม่ลงไม่เสียคายโดยกิดแล้วก็เอาภาษาโลกมาพูดแล้วมีจริงไหมแล้วก็ศึกษาอาตมาก็ว่าอาตมาสร้างตอนนี้นี่มีแคมปัสเยอะแล้วนะตอนนี้สักวันหนึ่งที่นี่ก็คงจะเป็นแคมปัสจริงๆโดยโดยโอ้อมมันก็เป็นแคมปัสอยู่แล้ว แคมปัสของสมาสิขาไหลอยู่แล้วนะเป็นเขตนะเป็นวิทยาเขตเราไม่เรียกเต็มเราเรียกวิทยาเขตจะไปประทับกับเขาไงแล้วเราเรียกแต่เขเขตเขนะเป็นแคมปัสเป็นวิทยาเขตของเขาอยู่แล้วโดยปริยายมันยังไม่ตั้งกันเป็นกิจจลักษณะเท่านั้นและคุณก็ยังไม่ลงทะเบียนบางคนก็ลงทะเบียนแต่แอบมาอยู่นี่ก็มีอะไร ลงทะเบียนอยู่ที่ไหนลงทะเบียนอยู่ที่บ้านราดลงทะเบียนอยู่ศีษะอะไรก็แล้วแต่ลงทะเบียนก็เ น, นี่ยแล้วคนเหล่านี้ถูกสอนถูกพัฒนาถูกบูรณะให้เจริญให้พัฒนาอัตมาเป็นนักสร้างนักสร้างสร้างสร้างเศรษฐกิจสร้างมนุษย์สร้างสังคม สร้างความร่ำรวยร่ำรวยอีกชนิดหนึ่งร่ำรวยตีกลับอย่างที่ดีง่ายก็ชอบตีกลับมเร่ำรวยแบบตีกลับใช่เพราะงั้นเราเราก็กำลังสร้างสร้างแต่ว่าชาวโลกเขาไม่เข้าใจ เขาไมเข้าใจมหาวิทยาลัยของเราเข้าใจมหาวิทยาลัยนี้เพิ่มขึ้นไหมมหาวิทยาลัยของอโศกเนี่ยเห็นเราสร้างและอาตมานี่เป็นวิชาทิบดีจริงอาตมาเป็นวิชาทิ่บดีวิชาธิบดีนะเรียกวิชาเกตก็ได้นะเราเรียกวิชาเกแต่เรื่อไม่วิทยาเกตดีเหมือนกัน อ่าอันนี้เรคิดได้ดีแล้ว เ, เรียกวิชาเขตนะเราไม่เรียกวิวทยาเขตอ่าเราเรียกวิชาเขตก็ได้วิชาเขตอะเราล่อเลี้ยงเข้าไปเรื่อยนะพวกเราดีดีอันนี้มันเรื่องเขตเขตมันรู้ยังไงไม่รู้มันก็ยังก็จะไปอยู่ในอำเภอเขาอ่าพวกเขตพวกพวน ก, ก, การเขตพวกอะไรเขตเขตมันจะไม่อยู่กับเขตเขาไปหมดวิชาเขตดีดละจริงแหละ เขาทาเราค่อยๆช่วอกันคิดเงี้ยดีแล้วน ะ, ะเมื่อบรรยายม า, ถ, ามถึงขนาดนี้พูดกันมาถึงขนาดนี้พวกคุณก็คงจะมั่นใจและก็รู้อะไรชัดเจนขึ้นว่าในสังคมหรือว่าในศาสนาก็ตามแต่สังคมต้องมีศาสนาต้องมีความรู้อย่างเนี้และจะเรียนเหมือนเขาไหมเรียนเหมือนแต่ไม่เหมือนเพราะโลกอุตตรานี่จะไม่เหมือนในระยะมไม่เหมือนขึ้นมาและมีคุณค่ากับสังคมไหมอาตมาว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าใช่ไหม มีคุณค่ายิ่งกว่าเพราะเราเรียนไปเพื่อสร้างสรรค์เหมือนกันและเราจะรู้ด้วยจะมีปัญญารู้ว่าอะไรควรสร้างสรร์สรรเลือกไม่มีคอกระรันเพราะฉะนั้นสร้างสรร์ที่อาตมาใช้อยู่เนี่ยเขารู้นะอาตมาบอกไปหนังสือพิมพ์อะไรเขาก็รู้ว่าสร้างสรร์เดี๋ยวนี้เขารู้เขาเอ่อปะเขารู้ว่าสร้างสรรค์ที่เราใช้เนี่ยเขาก็หาว่าเรากันแดะอยู่เรื่อยอะ่ะเนีมันดําเป็นสังคมจะมาเป็นคนบัญญัติ จะเป็นคนสร้างคือว่าเราไม่ใช่ราชบัณฑิตเนี่ยเราบัญญัติขึ้นมานี่ยเขาไม่ค่อยรับหรอกเพราะงั้นในคําความต่างๆแม้แต่คําว่าสร้างสรันเนี่ยอาตมาไม่มีคอการันแล้วก็มายืนยันถูกต้องสันไม่มีคอการันแปลว่าเลือกเลือกเฟ้นส่วนสรรค์ที่มีคอการัแปลว่าสร้าง สร้างสรรค์อกาก็สร้างสอยู่ตะพืชแล้วก็มันงองอวมันขึ้นไปดำชนอะไรตะมึอตะบี้ตะบันชนไปไอ้สร้างไม่ควรสร้างมันก็ไม่รู้สร้างตะพืชไปเรื่อยๆไอ้สร้างกิเลสตัณหาสร้างไอ้อบายมุกสร้างอะไรที่ไม่เข้าทางมันก็สร้างไปหมดมันสร้างไม่มีดวงตามันก็แย่มันไม่มีปัญญามันมีเลือกเฟ้นม่มีคัดมันมีใช้ปัญญาเพราะงั้นอาตมาถึงบอกว่าเอาเถอะถ้าอันใดที่คุณมั่นใจแล้ว คุณจะสร้างตะพืชเพราะว่านี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเหมือนกับรู้ทิศทางทิศจีแล้วเนี่ยเป็นกับตันที่ได้รู้ทุกอย่างแจ้งคุณล็อกพวงมาลัยโอเคสร้างสรรสร้างตะพืชเลยคนนี้ไม่ต้องรู้นอนก็ได้เพราะว่าแน่ชัดแล้วทุกอย่างก็เอาคุณเข้าทางเข้ามักที่ดีแล้วคุณก็ลุยไปแต่คุณยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณก็ต้องเลือกเรื่อยๆเลือกเอ้ยต้องตรวจสอบต้องเลือกอยู่น้าต้องสรรเพราะฉะนั้นสร้างสรรที่มีไม่มีคอกรรัน ต้องมีสร้างสรรค์อย่างนี้พาะเรามาสร้างสรรค์พอเราเลือกเฟ้นแล้วเราก็สร้างกันอยู่ทุกวันนี้อะไรควรสร้างสร้างอะไรไม่ควรสร้างไม่สร้างอะไรไม่เอาก็เราไม่เอาเพราะฉะนั้นเราจะต้องชัดเจนเราจะต้องเป็นสังคมที่เป็นตัวอย่างของโลกเป็นหมู่กลุ่มที่จะมีสมาอาชีพอย่างไรระบบของสมาอาชีพในถึงขั้นถึงขั้นบุญนิยมแบบสาธารณภคีจะเป็นอย่างไร เรามั่นใจเลยว่ามหาวิทยาลัยในโลกนี้นี่เขาจะต้องมาเรียนพานิชชศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมก็เกษตรศาสตร์ก็ตามกสิกรรมนอะไรเกษตรศาสตร์ก็ตามบุญนิยมก็ตามรัฐศาสตร์บุญนิยมศิลปศาสตร์บุญนิยมอะไรศาสตร์ศาสตร์บุญนิยมเนี่ยศาตร์ศาสตร์เสื่อเสือศาสตร์บุญนิยมก็ตามศาสตร์เนี่ยรู้จักไหมศาสตร์ไม่ใช่ เนีศาสตร์นั่งอยู่เนี่ยภาษาอสานเรียกศาสตร์เนี่ยตาก็เรียกสาสร์เหมือนกันเนี่ยเนี่ยาสร์มีตภากลางในบรรดิจดเรียกเสือมีแภาคกลางคนใต้คนเหนือล่ะเฮ้เหนือก็เรียกสาสตร์นะไม่ป็นดัดจดีอยู่ภาคกลางภาคเดียวเรียกอะไรไปเรียกเสือก็มันศาสน่ะใช่ไหม อดัดจริตพวกดัดจริตพวกกระแดะกระแดะนะปากจัดขึ้นด้วยนันี่เจ้าว่าเขาไปทั่วไปหมดนั่นแเอาเธอไม่เป็นไรเราเข้าใจอะไรกันก็ว่าเราไม่ติดใจในพวกเนี้เขาจว่าเราบังเราก็ยอมรับบอกว่าเขาะก็ยอมรับกันแล้วกันว่าว่าหน่อยไม่ได้เหรอ จะถือสากรมันก็เราไม่เป็นไรถ้าคนไม่ถือสาคุณโกรกคุณทุกเองอะถ้าคุณจะมาตีเราเราก็วิ่งหนีเรื่องอะไรเรายอมให้ตีมเจ็บเพราะนั้นในการศึกษาที่อาตมาพาทำมานี่ถึงทุกวันนี้เนี่ยมาถึงขั้นมีการเมืองมีพักการเมืองอะไรขึ้นมาอย่างที่เรากําลังดําเนินกันไปอยู่นี่แหละก็พากันไปและทํากันดู วันนี้เราจะประชุมอะไรกันในเรื่องการเมืองเราจะมีกิจกรรมกิจการอะไรกันกระทํากันไปดูนวันนี้จะเป็นไงจะเลือกกรรมการใหม่กันเนอะเลือกกรรมการใหม่ก็ดูว่าก็จะมีกันพอใช้พอไสตั้งทํากันได้อยู่ก็ว่ากันไปมันก็แปลกนะการเมืองของเราเนี่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าพักขึ้นมาโดย ก็ม่ได้เจตนาอะไรนะปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊ก็อ้าวว่ากันไปก็ต่างเห็นดีเห็นชอบกันไปด้วยกันอย่างงั้นง่ายๆมันไม่มีอะไรยากแล้วมันก็ดําเนินกันไปมันยังดําเนินกันไปได้ต่ออยู่ก็ทําไปไม่จําเป็นจะต้องไปพลิกแพลงอะไรให้มันมากอะไรมันต่อเนื่องได้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อหลาบยอดเส้นเสอร์โลกีสุขอะไรเราทำนั่นก็เหมาะสมอะไรกันอยู่พอดําเนินกันไปได้ก็ทํากันไปะคนเราก็มีเท่านี้มันก็ไม่หมางไม่ไมะตาก็พอเห็นกันอยู่แค่นี้เมื่อเราเข้าดําเนินกันไป ร่วมมือกันทำแม้แต่การเมืองอัตมาก็ตั้งใจอยู่ในใจลึกๆแต่พูดมากไม่ดีว่ากพยายามจะมีชีวิตอยู่ก็จะต้องพยายามผลักดันหรือว่าช่วยเหรือเฟือไฟให้มันเป็นอย่างที่เราว่าเมื่อวานนี้ประจํา ก, ก็ถามว่าใครเป็นคนร่างนโยบายของพรรคการเมืองนี้อัตมาว่าไม่รู้ใครร่างไม่รู้แต่อัตมาว่าอัตมาเทศนะเทศเสร็จก็ไปเรียบเรียง เรียบเรียงแล้วอาตมาก็ให้อาตมาดูอาตมาก็ดูว่าเอออย่างนี้แหละนโยบายว่างั้นก็มีความคิดของเขาบ้างนะพูดเอาไปเรียบเรียงช่วยกันเรียบเรียงหลายคนก็เอาความคิดเขาบ้างแต่เข้าเงื่อนอาตมาก็เป็นคนที่เทศว่าจะเป็นอย่างนี้นะการเมืองการเมืองอาริยะเป็นอย่างนี้ก็เทศไปแล้วก็เราเขาเรียบเรียงเรียบเรียงเสร็จก็มาตรวจทานเสร็จแล้วให้อาตมาตรวจสุดท้าย approve แล้วเรียบร้อยก็ส่งกรกตกรกตตรวจมาก็ขอแก้คําเดียวคําว่าอาริยะมันไม่มีในพจนานุกรมไม่ให้ต่อรองไปยังไงบรรยายไปยังไงเขาก็ไม่ยอมท่าเดียวถ้าคุณจะใช้อย่างนั้นความหมายของอริยะก็ต้องใช้อาริยะอะเป็นอาริยะมันไม่มีในพจนานุกรมไม่ได้นี่เราไม่ใช่ราชบัณฑิตเขาไม่ยอมอ ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรก็ต้องอนุโลมเขาต้องจำยอมก็เลยต้องเปลี่ยนอารียะคํานี้คําเดียวบุญนิยมเขาก็เอานะยอมอาริยะไม่ยอมเป็นอาริยะตัวเดียวเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นอแล้วก็มีทิศทางของเราที่จะทําไป <c oughs> เปลี่ยนเป็นอรราร <c oughs> ิยะอร <c oughs> ิยะอาริยะเาาขาไม่ยอมคําที่อาตมาว่าอาริยะไม่เอาอาริยะก็ไม่เอาเอาอารียะบัญญัติใหม่ มันไม่มีในไม่มีในประชันพุทธจารยานุกรมนี่คือเหตุผลของเขาไม่มีในพุทธจารานุกรมไม่มีคํานี้ไม่มียังไม่ได้ตั้งเราตั้งบอกว่าเราตั้งเองนี่แหละเขาไม่ยอมก็บอกแล้วว่าเราไม่ใช่ราชบัณฑิตเรามราศฎรบัณฑิตเราไม่ใช่ราชบัณฑิตเรามรัศฎรบัณฑิตเขาไม่ยอมไม่ยอมก็เป็นไรนะแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเรานี่แหละจะเป็นการเมืองแบบอาริยหรือการเมืองบุญยมซึ่งค่อยๆทาไป ยังไม่เห็นรูปร่างเท่าไรหรอกแต่ถ้าจะพูดถึงเศรษฐศาสตร์บุนิยมตอนนี้แล้วชักมีรูปขึ้นมามินิมินิโ ม, มมินิโมมินิแล้ว <c oughs> มันขึ้นมาโตขึ้นมานิดนึงแล้วพอเห็นรูปเห็นร่างเศรษฐศาสตร์แต่รัฐศาสตร์หรือการเมืองยังยังเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเพิ่งแอ็เพิ่งมีเพิ่งจะมี แอคทิวิตี้นิดหน่อยเพิ่งจะเริ่ม activity ขึ้นมาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมาเล็กๆนะเราก็ค่อยๆทำไปถ้าพวกคุณก็ยังมีอายุและพวกคุณก็ยังแข็งแรงยังตั้งใจทำกันช่วยมีพลังงานช่วยค้นขวายมีวยญาวจิมัยจจมโดยอปปจายนามัย โดยความอ่อนน้อมถ่อมตนอปัจจัยะนามัยโดยความอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามทาขึ้นไปเราทําดีแต่อย่าไปติดดีอย่าไปหลงดีอย่าเอาดีไปแบ่งขมอย่าเอาดีไปตีใครทำอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนไปเรื่อยๆค้นคว้าไปแล้วก็ทำไปเรื่อย ๆ, ๆนี่แหละเราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้นะเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสูงขึ้นไปอีกจะเกิด ปฏิทานนามเกิดปตานุโมทนาไมจะเกิดสภาพเข้าถึงความหลุดพ้นจากที่ต่ําปฏิทานนามคือเราจะสละออกได้อีกเราจะหลุดพ้นขึ้นไปได้อีกแล้วก็จะเจริญขึ้นไปไดอีกปฏิทานนามพ้นความต่ําเรียกว่าพ้นความเป็นเปรตโปรดเปรตพัฒนาจากเปรตขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกปฏิทานนามโดยสรุ์ก็คือเข้าถึงปฏิทานะ เข้าถึงความทานเข้าถึงการ ส, สละออกเข้าถึงสิ่งที่ควรสละออกที่ละออกเลิกออกก็คือความไม่ดีเราเลิกสิ่งที่มันไม่เข้าท่าและสิ่งที่ไม่ควนสมควรไปได้เรื่อยๆเข้าไปจนเกิดปัตตานุโมทนาใหม่แล้วก็จะเป็นยินดีในสิ่งที่เราได้ทําได้ดีขึ้นไปอีกเป็นปีติเป็นสุขเป็นปสัต thi ขึ้นไปตามลําดับนั่นแหละมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างที่เราจะเอามาประกาศได้ เป็นธรรมะสวรรณามเอามาเทศเอามาประกาศธรรมะสวรรไาใหมเอามาประกาศเอามาเทศได้นักเทศนักฟังมามาเราก็จะสามารถที่จะฟังฟังเพื่อทบทวนคุณจะฟังอาตมาอาตมาเป็นครูบาอาจารย์คุณก็ฟังฟังคุณก็ฟังก่อนธรรมะสวรธรรมะสวรรณมฟังฟังเพื่อทบทวนว่าเออเรามันด้ปฏิทารนามัยจริงแล้วนะเรา ปตานุโมทนามัยจริงแล้วนะหมายความว่าเรายินดีในสิ่งที่เราได้ดีแล้วเราก็ได้พ้นความเป็นเปรตในระดับสูงขึ้นมาอีกตามลําดับปฏิทานนามัยเขาจะเขาไปแปลกันว่าปฏิทานนามัยหมายความว่าโปรดเปรตโปรดให้เปรตนั้นได้รับการบรรลุก็จริงอะเปรตที่เรานี่แหละแล้วเราก็เข้าถึงโดยพยัญชนะางก็ปฏิเข้าถึงฐานะเข้าไปถึงการสละออกได้อีกปฏิทานนามัยมยะแปลว่าสําเร็จ ความสำเร็จในขั้นที่จะทําได้เจริญขึ้นไปอีกครึค่งเสีเขาจะแปลปเป็นว่าเขาโปรดเปกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาไม่แปลแปลแล้วโปรดเปรกเขไปโปรอะไรกันวุ่นวายวนเวียนเข้าไปอยู่อีกมันคือมันเป็นกระดับขั้นขึ้นมาตามลําดับตามลําดับชับ้นเพราะเราทําได้สูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาทบทวนมาฟังที่อัตมาเทศก็ตรวจสอบตัวเองอ๋อใช่เสร็จแล้วก็มั่นใจที่นี้คุณได้แล้วคุณก็ไปเผยแพร่ต่อธรรมเทศนาใหม่ เป็นบุญกิจาวัตถุข้อที่8แล้วทำประเทศนามไม้ออไม่ใช่ข้อที่8ข้อที่เก้าทระเทศนามหม้ข้อที่เแล้วเสร็จแล้วคุณก็สมบูรณ์ทิฏฐุชุกรรมทิฏฐะอุชุกรมมะเป็นการกระทําที่ตรงที่เห็นตรงที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ไปได้เรื่อยๆนี่บุญกิยาวัตถุสิบข้อครบ ทำค่อยๆไล่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆมันมีปฏิสัมพัสกันและกันตั้งแต่ทานนาิมัยศีลนมัยภาวนาไมยอป จ, จายนานมัยก็เวยาวัจจไมยปฏิทานนิมั ย, ป, าามยปัตานุโมทนาไมยธรรมัสวัณนิมัยธรรมเทศนาไมยทิฏฐิชุกกรรมรวมเป็นกรรมที่สมบูรณ์ดังนั้นไมยมยมยมย ม, ม, มาหมดเลยเก้าไม มะยงนี่แหละออมยะนี่แหละใหม่มยะแปลว่าความสําเร็จหรืออันเป็นเรามยะแปลว่าอันเป็นเราเราสําเร็จเราได้เราเป็นเราเกิดแล้วก็เป็นตัวเราเป็นอันเป็นเราเป็นมยะเป็นมะมะเป็นมะมังอ่าเป็นกูเองเป็นสิ่งที่ยังลงสร้างลงเกิดขึ้นมาที่ตัวเรานะมันที่เราสร้างอยู่ทุกวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่จริงบุญที่เป็นความดีงามที่เป็นอารียธรรมบุญที่เป็นความดีงามที่เป็นอริยธรรม และบุญที่เป็นการชรําระกิเลสเป็นหลักเพรันโล ก, กุตระนี่จะมีการชรําระกิเลสเป็นหลักเมื่อชําระกิเลสด้วยและเราก็ได้ทําดีด้วยเช่นเราทํำกสิกรรมทํากับเพื่อนกับฟูงทํากับวัตถุไม่โกรธให้เสียมโกรธให้พั่วโกรธให้ตะกร้าโกรธให้ปุ่งกีดกูก็อ่านใจออกโอ้เราเดิ ปฏิบัติธรรมอ่านใจออกแม่ปูกีก็ไปโกรธมันอ๋อทุกอยู่ทุกข้อละปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติอยู่ทุกข้อเนี่นี่เอาเป็นเนื้อหาสาระของธรรมแล้วว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทํากสิกรรมเรามีกรรมมันตะการงานอาชีพทํากสิกรรมขณะที่เราทํากสิกรรมเนี่ยแล้ เราก็ยังมีจิตของเราเลวอยู่ทําดีนะนี่กิจกรรมนี่ปลูกผักปลู ก, ลกพืชทํานวเท่านี่ทำเครื่องมือนี่ยังไม่พูดไปถึงคนนะที่ร่วมกระทากิจกรรมร่วมกันแล้วก็เลข้าศึสัมผัสกันนี่พูดถึงแค่วัตถุยังโกรธเสียมยังโกรธกับบุงปุ้งกียังโกรธได้ี่อยู่คือปุ้งกีมันไม่รู้เรื่องนะเสียมันก็ไม่รู้เรื่องอนะแต่ตัวเราเองลนะกูเองนะบ้ า, บาอยู่คนเดียวอะ่ะไปโกรธมันไปเครื่องมันไปมันเป็นนวลเป็นนี่เราไม่จับใจอ่านใจเรา โอยมันก็คือมันนะมันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยมันก็คือนิ่งๆเดือดซ้าไปพลังงานเขามันก็ไม่มีขับเคลื่อนในตัวเองขับเคลื่อนอไปทําเสียมทําเสียมปั๊บตัวเองทําเองนะด้ามเสียมแมันมาตีหัวโกรธ เ, เสียมไ้โมยเสียมบ้าพูดทุกตัวเองทําเองให้ด้ามเสียมมยันมาโค้งหัวตัวเองให้ด้ามจอบมันมาโค้งหัวตัวเองแล้วไปโกรธเสียมหักเสียมทิ้งเลยหามให้หักจอบทิ้งเลยนี่คือคนบ้าแล้วดีๆนี่เองโง่จนไม่รู้เรื่องอะไร อาตมาสมมติไปให้มันมากๆเรื่องตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มากเรื่องไม่ใช่เรื่องมากนะอาตมามากเรื่องไปหน่อยอธิบายให้ฟังรอบๆว่าบริสุทธิ์ก็จริงนี่อาตมาสมมุติให้ฟังหยาบๆให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยมีวัตถุมีรูปธรรมชัดๆ เราก็อ่านใจเราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมอยู่กับวัตถุอยู่กับบุคคลกระทบสัมผัสกันรูปรถกันเฉียงสัมผัสกระทบกับบุคคลแหมวาจาธาตุลีลามันกระทบเราเราก็อ่านใจเราก็เหมือนกระเสีย ม, มกันยิ่งกว่าเสียมเพราะว่ามันมีบทบาทลีลาด้วยนะบางคนมันน่ามันน่าโกรธเหมือนกันนะว่ายอย่างงี้เราก็ต้องอ่านใจเราไปโกรธทําไมอ่าเราเราก็วางใจเรานี่เราได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเราทํำกสิกรรมก็ได้ผลนพืชมาได้พัฒนาได้อาชีพ ได้การการมีผลผลิตมีอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้อ่านใจด้วยได้ปฏิบัติทําด้วยข้าวมาเป็นกอบเป็นกรรมด้วยเสร็จแล้วยกเยอะก็กินข้าวของเราได้กินอาศัยพึ่งพาตัวเองเสร็จเรื อ, อาขายขายทุกถ้าขายเท่ า, านี้เรารอดเรายังมีความจําเป็นจะต้องใช้เท่านี้นีขายต่ำที่สุดาขายเท่านี้แหละไม่ต้องขายเลยเหลือเฟือ่องไม่ต้องขายแจก นายไปดีกว่าไปต้องแทะแหลกมาแล้วก็กินพอแล้วก็ใช้พอแล้วก็มีเหลือเฟือเอาไว้ก็เนหนาวก็เสียเปล่ า, ลาหรือมันก็เกิเสียเศรษฐกิจเดี๋ยวกับพุ่งนี้บริลนี้ปีหน้าปลูกอีกแล้วมีอีกเข้ามาอีกเราไม่ได้หยุดยอนเราสร้างวัตถุ ก, ก, ก็ได้เกื้อกูลได้บุญได้ทําบุญได้ทานได้แจกได้เกื้อกูลบุญก็ได้อ่านกิเลกก็ออกได้ลดทั้งกิเลสได้ทั้งทําบุญทาง กุศลโลกีได้ทั้งบุญทางโลกุตระไปได้วยกันมาด้วยกันเลือดตรังไม่ใช่เลือดไม่ต้องเลือดสุพรรณและเลือดตรังใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะโลกุตระนี่มีทั้งกุศลที่เป็นโลกีมีทั้งกุศลที่เป็นโลกุตระคุณจะไปทํางานระดับอื่นก็ดีนียกตัวอย่างกระสิกรรมเท่านั้นไปทํางานด้านอื่นก็นัยยะคล้ายกันโดยปริยายนะมีสูตรนัยยะคล้ายกัน เราก็ปฏิบัติให้เกิดผลทั้งด่านนอกด่านในเกิดทั้งผลโลกีทั้งผลโลกุตระและก็ได้เสียสละได้สร้างสรรค์ทางโลกีนี่เขาสร้างข่าวสร้างอะไรขึ้นมานไม่ได้รู้เลยว่ากิเลสเป็นยังไงดีไม่ดีหักจอบไปตั้งเยอะหลายคันหลายดวงนะเพราะว่าเราไม่โงเราเราไม่รู้ทะเลาะ ก, กับเพื่อนฝูงไปไม่รู้สัดกันไปทั้งไม่รู้กี่คน ทำบาปทำกรรมเราเก่งกว่าเขาเราเอาเปรียบเขาได้ตีเขาไปแล้วเขาก็ต้องยอมเอาเงินฟาดหน้าเขาก็ยังอยู่ยังเป็นทาสเรายังเป็นคนรับใช้เราแต่เราก็มีเงินเราก็เป็นอำนาจเป็นเจ้านายอะไรก็แล้วแต่คุณก็ทําไปบาปเท่าไหรไม่รู้กดขี่ข่มเหงคนเท่าไหร่ไม่รู้เอาเปรียบเอารัดเขาเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือคนที่อวิชชาคนหน้ามืดตาบอดคุณทํารวยได้คุณเป็นเจ้าเป็นนายได้คุณชนะค้าขายได้ได้เสร็จแล้วมาแทนที่จะขายให้เป็นบุญ ไปขายขุดรีดอีกทุนนิยมมันเพื่อส่งเสริมกันอย่างนั้นคุณไม่มีประโยชน์ทางโลกธรรมะก็ไม่มีสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรคุณเคยทํามาแล้วใช่ไหมไอยอมรับอย่างซื่อตรงแต่ก่อนคนเรายังโง่เดี๋ยวนี้ก็ยังโง่อยู่ระวังเถอะเน่าเถื่อนเนยเปล่าไม่ใช่เนยเปล่านะั้นได้หนี้ด้วยได้บาปได้เวรไปด้วย คนเราแต่ก่อนยังโง่เดี๋ยวนี้แต่แต่ก่อนมีเคยมีหนังสือเรียนคนเราแต่หนังสือเรียนสมัยโบราณใครนึกออกไหมงงแต่ก่อนคนเรายังโง่บ้านเมืองก็ยังไม่มีอยู่กันในถ้ำอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็เอาแต่หัวแต่ก่อนคนเรายงงังโง่บ้านเมืองไม่มีอยู่ในถำ้ำเดี๋ยวนี้วิมานก็มีแล้วแต่ยังโง่ยิ่งกว่าเดิม ยังเงยเงาดิมเอาจริงๆบาปเวนนี่เราคือคนไม่รู้จักสาระสัจจะไม่รู้จักสัจธรรมไม่รู้จักธรรมะแล้วเขาจะเอาอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขามีประโยชน์อาตมาก็วิเคราะห์วิจารณให้ฟังแล้วมีประโยชน์ที่ไหนคุณทํางานคุณเรียกค่าตัวรักษาทุนนิยมคุณตีราคาค่าตัวเ ข, า ต, วขาตัวเองมันจนเกินจริงมาเปรียบเทียบคนในนีม้มาเฉลี่ยสิคุณคิดค่าเฉลี่ยในมนุษย์เนี่ยมนุษย์ห2ล้านในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเป็นราคาค่าอัตราค่าแรงงานมีเท่าไหร่คุณเอามาบวกมาลบคุณหารกันดูสิจะแบ่งเป็นอีกร้อยเกรดก็ได้คุณไม่ควรจะถึงแสนเลยคนราคาขนาดต่ํำราคาเป็นพันเนี่ยทั้งนั้นไม่น่าจะถึงแสนใช่ไหมตัดเกรดระดับให้เป็นเป็นเป็นร้อยระดับเนี่ยร้อยระดับแบ่งส่วนไปในร้อยระดับให้เสมอการแบ่งช่วงไปเท่าๆๆๆไปถึงร้อยเกรด มันไม่น่าจะถึงแสนมันไม่น่าจะถึงเจ็ดแ0นมันไม่น่าจะถึงล้านแต่คนเงินเดือนล้านมีเนี่ยมันคิดค่าตัวและคนก็ไม่รู้ว่าทําไมเราจะต้องไปคิดค่าตัวของเราให้มันศูนย์ตัวคุณค่าของเราถ้าเราทํางานทําบุญค่าตัวค่าสมรรถนะของเราเราทําได้เราทํำเก่งมันเงินเถอะมีสมรรถนะสูงคุณก็เหลือสมรรถนะคิดค่าตัวให้เท่านี้แหละยิ่งเหลือค่าตัวเราเท่าไหร่เราก็ไม่เอาเราก็ให้เขานั่นคือประโยชน์ที่เราให้แก่สังคม อาตมาพูดอย่างนี้อธิบายพวกเราเข้าใจข้างนอกเขายังไม่รู้เรื่องยังมืดอยู่เลยพอ ฟ, ฟังคนที่มีปัญญาดีเขาอาจจะฟังรู้เรื่องแต่เขาไม่เอาใจใส่มันคิดตามมันทําไมคิดแบบนี้เสียประโยชน์ตัวเองประโยชน์ตัวเองคือได้เปรียบใช่ัหมเพราะเขาไม่ไม่เอาด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณเองคุณเข้าใจแล้วเราก็มาทําเพื่อพิสูจน์สัจธรรมที่แท้จริงอันนี้สิว่านี่คือความเจริญของมนุษย์นี่คือความประเสริฐ ข, ของมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนั้นมันไม่ประเสริฐหรอก มันเอาเปรียบเอารัดแล้วมันก็ไร้ค่ามันไร้ค่าที่ที่อาตมาพูดนี่อาตมาเคยพูดมานก็คุณหมดแล้วละแต่อาตมาพูดไปอีกอาตมาก็พูดมันเป็นแสงตกร่องในสัจธรรมต้องพูดซ้าพูดซากนี้แหละถ้าใครอยากจะรู้จักความซ้ํำซากอยากจะฟังความซ้ําซากมากๆไปอ่านพระไตรปิฎกซ้ำซากเติมแต่บทที่หนึ่งไปจนทั้งบทสุดท้ายนเล่มสี่สิมาเล่มจะซ้ำซากมากมากอยู่ในนั้นน่ยเพราะสัจจะจริงๆมันก็ไม่มีมากอะไรถ้าจะไปเอาโลกีมาพูดนี่เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอก จะอโลกีมาบันทึกโอ้ตมราเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่หมดโลกีเนี่ยอะไรจะหลากหลายนานาซึ่งไม่จําเป็นเฟอเสียหายแล้วไม่ทําให้เกิดคุณค่าอะไรดีเพราะฉะนั้นสาระแท้ๆมันไม่มากไม่ไมยอะไรหรอกนอกนะั้นเป็นแต่เรื่องประโลมโลกมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านมีแต่เรื่องมอมเมาเพรเมื่อเราพูดถึงแก่นสารของเราได้อย่างนี้แล้วเราก็มาพิสูจน์กันเราคนที่รู้ว่าชีวิตนี้มันน้อยนัก ชีวิตนี้มันเล็กๆเหมือนดอกหญ้าแม่อาตมาก็ได้รีบเรียงเอาไว้แล้วนะชีวิตนี้ไม่จะไม่อะไรเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนดอกหญ้าอะไรไม่รู้อาตมายังจำได้ว่าพิมพ์ไว้ที่หลังปกหนังสือไอ้รวบรวมกวีอาตมาเล่มแรกอะไทย สรไอทอทาหารไทยเล่มแรกะมีรวงข้าวเปนหน้าปกนใครเคยเห็นจําได้พูดนี้ออกเคยเคยเห็นกันรู้ก อ, อกเดี๋ยวนี้มันมีมันมันนี้มันไม่ไม่ได้พิมพ์ซ้ําม่ไไม่ได้อะไรลวะวกวีอันนี้อพิมพ์ขึ้นมาส่งสีไรด์ไดดีไหมไม่มีปัญญาตัดสินหรอกไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ไม่ใช่ดูถูกเ้าเอาจริงจริงเขาไม่มีปัญญาตัดสินหรอก เขจะไปรู้เรื่องอะไรเข ก, ก็ไปรู้เรื่องแต่พวกนั้นนะอะไรก็หมายรู้คำดัดแปลงแม้มีคําเก่งมีอะไรเก่งก็ต้องไปได้ปรับดายุ่นยุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องไปได้รินเดียวบรีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอัตมาโดนนักสื่อรินเดียวบรีแล้วมันอะไรว่ามันใสหมอ้อใสกระทะอะไรกระไร ด, ด้วยโอ้โทากันนั่นก็ว่าไปคลิกแพงเทคนิคนเอาเถอะก็ไม่เป็นไรก็สื่อพยายามจะหาเรื่องที่จะเอาองค์ประกอบสุนทรียศิลป์เพื่อชีช้ชวในให้คนมาสนใจแต่เนื้อหามันคืออะไร ถ้าเนื้อหามันเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ดีเป็นโลกุตระหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คนประเสริฐก็ดีนะเพราะนั้นเราก็ทำไอ้ยังงั้นอาตมาเข้าใจหมดและรู้จะจะทําด้วยจะดัจริต ก, ก็เข้าก็ได้แต่ไม่มีเวลาแล้วนะแต่อาตมาก็ไม่ทําอาตมาก็ทําแค่ที่อาตมาเข้าหาแก่นหาเนื้อนี่แหละแล้วมาพิสูจน์คนคนอย่างชนิดที่เป็นโลกุตระหรืออารียะอย่างที่เราเป็นเราทำเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะสร้างสรรค์ พยายามที่จะเป็นคนที่จะเพิ่มเติมบุญเพื่อเพิ่มเติมพัฒนาเขาจะบอกว่าสับมาบูรณาการเราก็บูรณาการจริงๆ จ, จะต้องพยายามที่จะทำให้ขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นให้เต็มอะไรบกพร่องในมุมไหนในด้านไหนก็ตามแต่เราก็ทาขึ้ น, นไปงานการข้างนอกมาในตอนนี้เราได้แสดงบทบาทแม้แต่ที่จริงทักษิณอสศกเองเนี่ยคนยังไม่มากยังไม่มีองค์ประกอบพร้อม แต่พอถึงเวลาก็เอาคนนั้นคนนี้ไปรเรียกผลขึ้นมาบ้างก็มาบ้างเหมือนกันอาศัยคนนั้นคนนี้ช่วยบ้างมารวมกันเป็นทีทีให้เขามันก็พอมีอะไรให้เขาเหมือนกันนะนึนกว่าบ้านเราไม่มีอะไรพอเอาเขาจริงคนเอาคนมาแจกทรัพย์เหมือนกันนะเออมีทรัพย์แจกเขาเหมือนกันมีทรัพย์เล็กทรัพย์น้อยแจกเข้าไปเขาก็ยินดีพรโท่มันนิดเดียวเพราะอะไรเพราะเขาขาดแคลนเอามากๆ เขาไม่รู้ด้วยว่าเขาควรได้อะไรเขาไปเก็บขยะกันอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยเอาทองเอาเพชรเหมือนอย่างเรานี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังอย่างตีลังกากลับนะเรามีทองมีเพชรแล้วเขาไปไปเก็บขยะกันอยู่โอ้โหอยากเยื่อขยะอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างนอกอ่ะหอเป็นบ้าหอบฟังอยู่พอเขามาบอกนี่ไงเพชรนี่ไงทองเขาพอรู้เรอยเราก็มีนิดนึงะนะมีทองทําหนวดกุ้ง ตัดให้เขาไปส่วนหนึ่งเขาก็ได้ไปหน่อยหนึ่งยินดีเขาเพิ่งรู้ว่าทองว่าเพชรเขาเพิ่งรู้ว่าคืออะไรชีวิตจะเอาอะไรชีวิตก็เอาเลิกสิ่งที่คุณไปถูกหลอกมาอาบายมุก ต, ต่างๆเลิกมาเป็นต้นแล้วก็แนะนําเขาแล้วก็มาสร้างสรรันนี้เธอเลี้ยงชีวิตเองทําเองกินเองใช้เองเนี่ก็บอกวิธีไป อ, อย่าไปที่ไหนจะสะผมก็ไปทําเองสะเองไม่ต้องไป ทุก็ลองดูโอ้โหแบรนด์เนมราคาแพงโฆษณาค่าโฆษณาอะไรแพงๆทาเองเนี่ยเนื้อแท้มันก็ได้แล้วเนี่ยหรือไปไปทำกินเองทําอย่างนี้เองแปรรูปเองทําเองหรือไปทํากระสิกำกินเองเลยทําใช้เองกินเองพึ่งตนเองให้รอดเลิกสิ่งที่ควรเลิกสูญเสียเนะี่ยเลิกแล้วก็มาสร้างสิ่งที่เราสร้างได้ เพื่อได้กินได้ใช้เพื่อได้อาศัยใช้ใกล้ตัวกินอะไรก่ะกินข้าวเออทำข้าวได้ทำข้าวไม่ได้ทำผักทำผักไม่ได้ทำผลไม้ผลไม่ได้ไม่ได้แปรรูปอ่าพอแปรรูปอย่างนั้นอย่างนี้ได้แปรรูปทำมาไรไม่ได้เลยเอาขยะมหมักแม่เอาขยะ ม, ม, มยะ ม, มักนี่มันก็ไม่ได้ย่ากเลยเย็นแล้วนะวัตถุดิบก็เยอะแยะทำแค่นี้ไม่ได้ไปตายซะอ่าก็สอกนกันถึงการทักคันนี่ ทำอะไรไม่ได้เอาขยะนี่แล้มามากักหมักรู้จักวิธีหน่อยแล้วมันก็จะเป็นผลผลิตอะไรเป็นประโยชน์พอได้ขยะแล้วมีที่สักเล็กสักน้อยก็ปลูกไม่มีอะไรเอากระถางมาใส่ดินแล้วก็ปุยใส่ปลูกเข้าไปเลยเป็นบ้านกระถางรอบเลยเนี่ยรับรองว่าพอขายพอกินน ะ, ะจะไปหาดินมาใส่เนี่ยไม่ต้องซื้อเราไปหยิบปตัวนั้นนี้มาทํากระถางใส่ให้มันรอบบ้านเราอยู่เนี่ยปลูก กรถางจะสามชั้นเลยนะเรียงให้เต็มเลยนี่เป็นฝาผนังเลยแล้วปลูกเป็นชั้นๆายใช่ก็แค่คุณกินคุณอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วจะเหลือเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ <c oughs> เป็นทางออกที่ชัดเจนเป็นทางออกที่มารู้จักความสูญเสียสิ่งที่ควรเลิกมาแล้วก็ควรจะมาเอาภาระใกล้ตัวยิงปลูกผักปลูกพืชปลู ก, ลกข้าวล้วกินทันทีเลี้ยงตัวเองปลูกผูกปกผุก ปลูกเผือกปลูกมันอะไรก็แล้วแต่กินแทนปลูกมีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีอะไรก็ชีวิตกรอดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอารากฐานของความเป็นมนุษย์มาปลูกฝังเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เฟอ้อที่เกินอะไรควรเลิกก็เข้าใจกันแล้วก็ตั้งฐานนะอยู่ในความหลุดพ้นรอดพ้นจากสังคมที่มันโง่อยู่กับสังคมมันมอมมอลจะไม่รู้ทิศทางไม่รู้ทางออก เราก็รอดมาได้เรื่อยๆให้เขารอดมาแล้วเราก็ยิ่งจะต้องแข็งแรงเป็นรูปธรรมเป็นอะไรอะไรให้เขาเข้าใจชัดเจนทุกวันนี้รูปธรรมของเราเนี่ยมสมาจนดีกว่ามารวยไม่ต้องไปฮือหวาต้องมาสวยมางามต้องตกแต่งปรุงแต่งคนไม่ได้ดีที่เป็นไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเฮ้ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็งามแค่ไก่เป็นมูตอร์แต่งอยู่นั่นแหละ เลิกแต่งสะทีดิไก่งามพราะนคนงามเพราะแต่งก็ไม่แต่งอยู่นะก็ตัวคนแต่งก็งามจริงเลยก็งามแค่ไก่มาเจริญกว่าไก่หน่อยเลิกแต่งเนี่ยมาเอาสาระที่ยิ่งกว่าไก่สาระแค่ไก่นนพอแล้วให้ไก่ๆมันเป็นโอ้อาตมาเห็นมันแข่งเนี่ยส่งไปเจ้ต้องเอาชนะฆาคารต้องไปเป็นนักแต่งผมโลกระดับส่งไปเป็นผู้ชากระเทยส่วนใหญ่นะ แต่งผมไปส่งไปประกวดประกันเขาโอ้ยิ่งใหญ่แล้วอาตมาเห็นมันมันจะบ้าไปถึงมันเอาสับปะรดมันเอาอะไรไปใส่เห็นไหมเนี่ยเอารูปมันดูที่เมื่อวานนี่ก็เห็นเมื่อวานไปใส่บนหัวแล้วก็ทํามันจะไปถึงไหนกันวะแล้วมันก็เดินมันนุ่งกางเกงลิงแฟชั่นเนี่ยออกเมื่อวานนี่ก็เห็นเมื่อวานนี่โทรทัศน์ก็ออกกางเกงลิงจริงจซีทรูด้วยนะกางเกงลิงซีทรูด้วยนะ แล้วมันก็ใส่เสื้อพลกางเกงลิงเนี่ยแฟชั่นผู้หญิงนางแบบเดินเมื่วานนี่ก็นเนี่ยคือมันก็บ้าไอบไอ้ไอ้บ้ายัา ง, งไงก็บ้าทางกามไอ้บ้าทางพิสดารนี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่มาแต่งผมแต่งหัวนี่อะไรมันจะบ้าไปถึงไหนก็นไม่รู้นี่เนี่ยคือเราเข้าใจแล้วนราจะเห็นแล้วว่ามัน อ, อโลกนี้เนี่ยมันเสร็จแสนเน็ดเหนื่อยเอาเวลาแรงงานทุนอนองอะไรไปบ้าบๆกันเราก็ดูสักวันมันเฟ้อมันเกินมันสุดเลอะเทอะแล้ว นักร้องนักลําอะไรก็แล้วแต่บ้าบ้าบอๆกันไปปรุงแต่งกันเต็มไปหมดหาเงินง่ายแล้วคนกถ็ถูกหลอกจิตวิญญาณก็ถูกครอบงํานั่นกันไปมุ่นมัวมองก็อยู่นั่นแนหะเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นวัยเถาะคณอนว้อะไรก็แล้วแต่รุ่นแก่ก็แล้วแต่รุ่นแก่ก็ไปลากออกมาต่อจากไอ้นั้นนิดหน่อยรุ่นแก่ก็มาคาราโอเกะทีคาราโอเกะเพราะว่าจะไปเต้นไปดีไปอย่างนู้นมันก็มากไป ก็มาคาราโอเกะอยู่ใที่คือเนี่ยจิต ว, วิทยาสังคมทางนั้นเขาหลอกมาเรื่อยๆมาได้คาราโอเกะนั้นอยู่ในที่ลับนะแต่ก่อนนี้อยู่ในห้องร้องไม่มีใครมากเดี๋ยวนี้คาราโอเกะก แ, แกะกล่องละแกะกละอแกะห้องละออกมามาแกะกะออกมาแล้วตอนนี้คาราโอเกอะออกมาแล้วตอนนี้อีกหน่อยต่อไปก็ไอคนแก่ก็มาเต้นมาดีล้ละตอนมายต่อไปมาฮ อ, อะไรนะบ้านก็มีแล้วเหรอ จะบ้ากันใหญ่เลยนะเราต้องรู้สาระว่าเราจะร้องเพลงเราจะทำอะไรนี่อาตมาว่าประจามที่จะประสานพยายามที่จะค่อยๆสอดแทรกค่อยๆที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไปผสมประสานนะรู้จักสาระเท่าว่าอันนี้มันเกินมันมากเราก็ตัดได้ขนาดนี้ก็คือศิละปะเป็นวงคนอนุดมอะไรก็ว่ากันไปตามลาดับแม้แต่เราจะมีอาคารใหญ่อาคารโตนี่แค่ให้เ ห, ห, หมาะสมนะ ให้สมควรว่าเราต้องเป็นเราต้องต้องเป็นไปได้นะขนาดนั้นขนาดนี้ก็กูลกันได้ก็ทํากันไป <AR> ข้อสําคัญนี้จะต้องไม่เป็นหนี้นะจะต้องเป็นหนุนให้ได้ต้องล่าเวทความเป็นหนี้อย่าให้เป็นหนี้แล้วก็จะต้องเป็นเงินกู้อย่าโวย <AR> เกินเงินเกื้อย่าไปเป็นเงินกู้ต้องให้จัดระบบพวกนี้ให้ได้จริงๆเลยสังคม อ, อย่างนี้จะ ต, ต้องสร้างให้สําเร็จ <AR> ทุกคนมีแต่เพียงเกือก้อกูลกันเกื้กูลกันอุดหนุนกัน ไม่เป็นนี่ไม่เป็นกู้ไม่เป็นก็มันกระดูกมันปวดจะปวดแล้วมันก็เป็นเรื่องเลวร้ายกันไปนะเพราะระบบทางโลกเขาเนี่ยเขาเป็นไปเลอะเทอะไปมากแล้วพอมาเรากลับมาสร้างเพื่อพิสูจน์ความเป็นสังคมชนิดใหม่นะจะมีชีวิตอยู่มีการหมุนเวียนเงินทองไหมมีเศรษฐศาสตร์ของเราคือการหมุนเวียนคือการสะพัดคือการกระจายเพื่อที่จะจะให้มันได้สมดุลให้มันเกิดความไม่พร่อง ให้เกิดการอยู่เย็นเป็นสุขเราทําไดนะ้จะเป็นวัตถุเงินทองทรัพย์สินพยายามกระทาให้จริงเนะนะขาจะว่าไงก็แล้วแต่อาตมาก็สอนหมอเสศตรศาสตร์เขาจะว่าถูกไม่ถูกกัช่างเขาเขาจะด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์ทางเสศตฐศาสตร์มาแย่งอาตมาไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, ม, ม่แย่งไม่เถียงเขาหรอกเขาอาจจะพูดถูกาอาจจะพูดไม่ถูกบ้างอาตมาเถียงเขาไม่ทันเถียงก็ไม่เป็นอาตมาก็ไม่เอา ยิ่งเอาเทคงในข้อเทอมาพูดมากมายอาตมาไม่มีภาษาเขอาตมามีแตภาษาลูกทุ่งนะก็แล้วแต่อาตมาก็พยายามเอาพิสูจ์กับมนุษย์อาตมาว่าอาตมาเข้าใจเศรษฐศาสตร์อย่างนี้เข้าใจรัฐศาสตร์อย่างนี้เข้าใจสังคมศาสตร์อย่างนี้แล้วอาตมาก็จะสอนมนุษย์ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็พัฒนาพิสูจน์กันไปดูอาตมาถึงบอกว่าอาตมาอยากจะอายุยืนปพะสมควรจะดูซิว่าพิสูจ์สายจะทำพระพุทธเจ้าอาตมามั่นใจว่านี้เป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าให้มนุษย์เป็นอย่างนี้ สังคมพุทธหรือพุทธบริษัทจะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยมีศีลห้าเพราะฉะนั้นใครผิดศีนห้าเราก็ลงโทษกันไปตามควรใครผิดศีนจะลงโทษกันไปมีทอนมีทั น, ม, ทนมีโทษแล้วก็พยายามปรับตัวขึ้นมาให้รอดพ้นศีนห้าเราก็มีมักมีผลศีนหที่มีประโยชน์คุณค่าจริงๆแล้วก็พัฒนาขึ้นไปศีลก็สูงขึ้นเป็นอัธิศีนเรื่อยๆศีนห้าในตัวเขาเองก็เป็นอัิศีนขึ้นไปได้จนกระทั่งมันเปถึงศีลแปดทาจะตั้งข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยก็ศีล8แปดศีนสิบไป จนกระทั่งเราพิสูจน์ได้ว่าค า, ารวะมีศีลสิบได้ค า, ารวะไม่ต้องสะสมเงินทองค า, ารวะไม่ต้องมีเงินมีทองเป็นของตัวค า, ารวะใช้เงินส่วนกลางเงินของสงศ์สาธารณโภคีนี่เราพิสูจน์กันได้ถึงขนาดนี้แล้วทุกวันนี้แม้จะยังไม่แข็งแรงยังไม่เข้มข้นยังไม่ทนทานยังไม่ยืนนานยังพิสูจน์ไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็ตามเราก็จะต้องแน่นลึกนึกนกให้มันได้ขึ้นไปอีกมันก็จะแข็งแรงขึ้นหรือเข้มข้ น, ข, น, ข, น, ข, น Scorp ขึ้นไปอีกทนทานยืนนานขึ้นไปอีก มันก็จะแน่นนึกนึ ก, กนกขึ้นไปอีกหมุนเวียนเป็นปฏิสัมพัทธ์กันไปเรื่อยๆเ่ ๆ, ๆ, ๆเอาละอาตมาคิดว่าได้เทศและก็ได้พูดตั้งแต่ทั้งธรรมะตอนตอน้ตนเขาถึงปรมัตลงคุณธรรมมาจนกระทั่งขั้นปลายก็ได้ขยายไปกระทั่งวงกว้างไปถึงสังคมรอบ ก, กว้างสังคมปัจจุบันให้เห็นให้เข้าใจาก็คิดว่าคนจะได้ประโยชน์ในการเทศวันนี้นะก็ขอเอวังลงแต่เพียงเท่านี้